เกิดมาก็จะทำให้งุดอะไรๆรมันก็ไม่ดีไปทั้งหมดลักษณะนี้เรียกว่าอารติอารติสามารถหาปัจจัยให้ปรามูดนบายคนนั้นก็แก้ปัญหานี้ได้ในหน้าสนะิบเก้าะเปิดตูในโรมิหารตั้งใจว่าก่อนปิดเทอมนี้ยให้จบเนาะจบไปต่างกันแะล้วเปิดไปตั้งหลายเดือนนะยัง เดือ น, น, นหน้ า, า, าแล้วยังหายโกรธบ้างหรือยังเพราะว่าถ้าโทสะมันเขาเรียกว่ามันจะว่าโกรธมันก็ไม่ใช่ที่เรียกว่าโกรธเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ใช่มันลักษณะเครียกหงุดหงิด น, นะ เ, เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของนิวร์ซึ่งเป็นพยาปาทานนิวร์เกิดมาก็จะทําให้งุดหงิดเครียด อะไรอะรมันก็ไม่ดีไปทั้งหมดลักษณะนี้เรียกว่าอารติอารตอิอารตินั้นจะแก้ได้ก็ด้วยปราโมทผู้ที่สามารถหาปัจจัยให้ปราโมทบ่ายคนนั้นก็แก้ปัญหานี้ได้นะถ้าไม่สามารถที่จะหาความปีติปราโมท ม, มาหลอเลี้ยงจิตใจก็จะกลายเป็นคนที่กริดเครียด หรืองุดหงิดโดยที่ไม่ค่อยมีเหตุผลนะซึ่งไอ้สภาวะแบบนี้เนี่ยของของอรรมาเนี่ยเป็นอยู่หลายปีถ้าถ้าถ้าใครเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันป่วยเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ป่วยมันเป็นป่วยทางความคิดนะใจใจมันป่วยอ่ะถ้าถูกโรคคือโทสะมันกลุ่มรุมเหมือนันเด้มันก็จะเครียดนะมันก็มุดมันอะไรมันก็ไม่สนุกไปทั้งหมดอ่ะ ไม่มีอะไรดีสักอย่างแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาอะไรหรอกเป็นโมหะที่ผสมกับโทสะนะเป็นโทสะมูลจิตอ่าแค่ว่าไม่มีอะไรน่ายินดีสักอย่างเลยกุศลจิตก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่สนุกเที่ยวก็ไม่สนุกดูหนังอะไรก็ไม่สนุกฟังเพลงก็ไม่สนุกอะไรก็ไม่ดีสักอย่างไปดูเที่ยวก็เห็นเห็นไปอย่างนั้นแหละเหมือนกับว่าชีวิตไม่มีรสชาติอะไรสักอย่างใครเคยเป็นบ้างนะ นะคนไม่เคยเป็นก็ดีนะนับว่ามีบุญมากอนที่เป็นลักษณะนี้เพราะว่าเราขาดขาดการเจริญกุศลธรรมที่ต่อเนื่องนะจิตเราอ่อนจากกุศลธรรมค่อนข้างมากแล้วบางท่านก็รู้สึกยินดีในสภาวะแบบนั้นด้วยนะมันก็เป็นโทสะที่จริงแล้วมันเป็นปฏิฆานิมิตใช่ไม แต่ว่าบางคนก็มีฉันทะที่จะปล่อยให้มีความรู้สึกแบบนั้นนานๆหล่อเลี้ยงภาวะอันนั้นเอาไหมมันก็เป็นอุปายาตอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นความคับแค้นใจเป็นใจที่ไม่ค่อยมีความสุขถ้าพูดตปก็ต้นไม้ที่ไม่มีปุ๋ยเลยไม่มีน้ำไม่มีปุ๋ยนะก็เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะเกือบๆตายเลยล่ะเหี่ยวเฉานะั่นแหละ แสดงว่าปุ๋ยคือศรัทธาเนี่ยไม่มีเลยในขณะนั้นศรัทธายางแรงกล้าในกุศลธรรมไม่มีนะมีความเพียรพยายามที่จะเจริญกุศลธรรมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปล่อยจิตให้เครียดหงุดหงิดเป็นต้นเนี่ยนะสำนวนทางธรรมะเรียกว่าคนเกียจคร้านนะเป็นคนที่ไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามในกุศลธรรมเพราะว่า จิตชนิดนั้นเนี่ยเป็นจิตที่ขาดวิริยะวิริยะในกุศลธรรมเนี่ยหล่อเลี้ยงถ้าเป็นทหารก็ไม่มีฝ่ายศ ก, กองกําลังมาสนับสนุนเลยนะเพราะวิริยะนี้ท่านอุปมาอยู่สองอย่างวิริยะอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเพื่อประคองกุศลธรรมเหมือนกับบ้านเรือนเก่าๆซ่อมซ่อจะพกพังเนี่ยนะมันก็จะมันก็จะ ล้มไม่ล้มแหลกก็อาศัยความเพียร น, นี่แหละอาศัยไม่คำไปคำเอาไว้จิตเจตสิกที่ท้อแท้เสื่อมซึมเป็นต้นเนี่ยก็คือจิตเจตสิกที่มันขาดความเพียรในการเจริญกุศลธรรมมันจะต้องอาศัยความเพียรพยายามมาเพื่อที่จะประคับประคองให้กุศลธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ได้นะเพราะว่าความเพียร น, นี่มีอยู่สี่อย่างด้วยกันเพียรพยายามเพื่อที่จะละบาปอกุศล ในขณะนั้นน้ที่กําลังเกิดขึ้นนะความเครียดความงุดงิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กุศลธรรมเมื่อไม่ใช่กุศลธรรมนั้นจะต้องเพียรพยายามเพื่อที่จะละนะเพียรพยายามที่จะเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้นะแล้วก็เพียรที่จะพอกพูนรักษาพัฒนากุศลธรรมอันนั้นให้มากๆเพียรพยายามอ น, นันต์เนี่ยเป็นวิริยะเป็นความเพียรพยายามหรืออีกนัยหนึ่งท่านอปปมาความเพียรเหมือนกับ ความเพียรนี่เหมือนกับกองทัพที่หนุนนะนะกองทัพที่เข้าไปอุดหนุนสงครามที่ทับหน้าเนี่ยนะราแ ร, เ ร, าแร่เราแร่เนี่ยก็ต้องอาศัยทัพหนุนเข้ามามายันทับหน้าไม่ให้ทัพข้างหน้าเนี่ยทอ้อถอยก็ส่งเสริมกันสู้รบจนจนชนะข้าศึกความเพียรพยายามก็เหมือนกันจิตเจตสิกเมื่ออ่อนกำลังอาศัยความเพียร น, นะวิริยะเจตสิกนี่แหละเพียรพยายาม พอกพูนเกื้อกูลให้กุศลจิตกุศลธรรมเนี่ยตั้งมั่นในกุศลนั้นๆั้นแต่อย่าลืมว่าความเพียร น, นั้นก็อาศัยเรื่องของปัจจัยที่จะมาอุปถัมภ์ข้าจจนนี้ความเพียรจึงจะเป็นวิรยิยนีศีที่จะพยายามในการเจริญกุศลธรรมได้คนนั้นต้องฉลาดในเรื่องของปัจจั ย, ยนะเห็นโทษเห็นภัยในอบบา ย, ยาถ้าหากว่า ของเราเองนี้มองตัวเองว่าเอ๊ยยังไม่พ้นจากอบายก็ไม่เป็นไรเอาเรื่องสัตว์ในอบายสักอย่างหนึ่งเนีย่ยนะมาเป็นอุทาหรณ์เอาคนที่ล่วงกายกรรมที่เป็นบาปแล้วเขาได้รับความทุกขมาเป็นตัวอ ย, าอย่างเนี่ยนะเอาคนที่ขาดความเพียรพยายามว่าจุดจบของคนไม่มีความเพียรคืออะไรนะเราก็เอาบุคคลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอุบายในเครื่องเตือน หรือไม่เราก็เอาคนที่ประสบความสําเร็จในความเพียรพยายามในการเจริญกุศลธรรมมาเป็นตัวอย่างนะแต่เราอย่าไปเอาคนขี้เกียจกว่าเรามาเป็นตัวอย่างนะขี้เกียจก็คือเป็นคนที่ปล่อยปละละเลยในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะคนเหล่านั้นไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างโดยประการทั้งปวงนะมองเพื่อจะสังเวชใจอย่างเดียวถ้าเราคลานได้เนี่ยนะนะเราไปนึกเออ เรานี่เก่งกว่าคนเป็นอัมพาตไหคนที่เป็นง่อยเหมือนกันขยับตัวไม่ได้เราคลานได้เราเก่งกว่าถ้าเราไปเทียบอย่างนี้นะอีกนานกว่าจะเจริญกุศลและทำได้ว่างๆเราล้มนอนแผลก็เออมันก็ยังดีกว่าไอ้คนที่มันเป็นง่อยอะ่ะเพราะมันขยับตัวเป็นไหนไม่ได้เราเก่งกว่าใช่ไหมเราก็จะไปเทียบกับคนที่ขาดความเพียรพยายามอย่างนั้นไม่ได้นะเราต้องเอาคนที่มีความเพียรความพยายาม เพราะว่าแนวทางแห่งการเจริญกุศลธรรมการพอกพูนศิกขาในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความเพียรความพยายามธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่างคือ1ไม่ทิ้งความเพียรสองไม่สันโดษในกุศลธรรมนะธรรมะสองอย่างนี้ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าที่สอนให้สันโดษคือสันโดษในวัตถุคืออัพพยากตะธรรมแต่ให้เพียรพยายามในกุศลธรรม กลายเป็นว่าออสันโดษสันโดษในกุศลนี่แย่แล้วสแสดงว่าชีวิตนี้เริ่มตกต่ำไปเยอะแล้วฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความเพียรพยายามบ่อยๆกุศลจิตก็จะสา ม, มารถที่จะพอกพูนสืบเนื่องต่อไปได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยมีความเพียรในการเจริญกุศลธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่า ตัวอย่างของผู้ที่มีความเพียรพยายามก็ไม่มีใครเกินพระผู้มีพระภาคเจ้านะพอเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นึกถึงมหาประธานมหาประทานนี่ก็คือความเพียรอันยิ่งใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญอยู่6ปีนะหปีที่ความเพียรพยายามจนถึงกับว่าพร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้นเองรูปท้องเนี่ยถึงหลังรูปหลังเนี่ยถึงท้องนะทายอุจจาระก็เป็นเท่ากับเม็ดเล็กๆออกมาเท่ากับเหมือนกับ ขี้แกะที่อะไรเล็กๆเป็นก้อนเล็กๆเข้ามาเท่านั้นเองรับอาหารน้อยมากตาเนี่ยโบลึกเข้าไปเหมือนกับเราดูเดือนในบ่อน้ำนะดูเนือ้อดูดวงเดือนในบ่อน้ำเล็กอ่นะดวงตาของพระองค์ก็อยู่ลึกขนาดนั้นนะความเพียรพยายามทั้ง6ปีเนี่ยนะเป็นความเพียรพยายามที่ถ้าใครพยายามเกินกว่านั้นตายอย่างเดียกนะก็คือสุดยอดและเกือบตายอยู่แล้วนะจนบางครั้งเนี่ยท่านเกือบจะล้มล้มนอน พอเซเข้าไปแล้วก็ล้มแผลเทวดาบอกก็ตายแล้วเนี่ยเทวดาบางพวกก็บอกยังไม่ตายเขาว่ากําลังเข้าสมาบัติบางอย่างเทวดาบางกลุ่มก็ยังเป็นมิจฉาทิเตยอยู่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องก็เทวดาบางพวกก็ส่งเสริมเทวดาบางพวกก็ขัดขวางนะส่วนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคนเนี่ยใกล้ละใกล้ละถ้าเด็ดขาดขนาดนี้สงสัยใกล้จะบรรลุมรรคผลแล้วล่ะเพียงขนาดนี้ แต่เพียรของท่านไม่ได้เพียรตามอริยมรกมีองแป8แต่เพียรเพื่อทรมานวิบากและกรรมชรูุให้วิบากกรรมชรูุกทุกทรมานที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ความทุกขเกิดให้มากมากเพราะเขามีทฤษฎีอยู่ว่าบุคคลจะบรรลุถึงความสุขได้เพราะอาศัยความทุกวา ง, งนเด็กก็พูดถึงเหมือนกับว่าคนจะประสบความสาเร็จได้ในชีวิตนี้เพราะอาศัยทุก ทุกเท่านั้นแหละเมื่อบุคคลทุกมากเท่าไหร่ก็จะประสบสุขมากเท่านั้นเป็นความเห็นของคนสมัยนั้นซึ่งพระองค์ก็ปฏิบัติตามนั้นนะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือกรรมในอดีตชาติที่ไปไปอริย ป, ปวาทะเนี่ยนะว่าร้ายพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า น, น, นะนะไปหาประโยชน์อะไรด้วยการไปหาสมณะโลนโพธยามท่านได้โดยยากนะ คำมันนั้นเนี่ยก็ทำให้ท่านมีแนวความคิดที่วิปริตสำคัญในสิ่งที่ไม่ใช่ทางว่าเป็นทางเนีนย่ยนะเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมบุคคลก็ไม่ควรประมาทนาะเมื่อไม่ควรประมาทด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาศัยอุทาหอนอ น, นั้นว่าผู้ที่จะประสบความสำเร็จเจริญ ง, งอกงามในพระสัตวธรรมคำสอนนั้ น, นจะต้องไม่สันโดษในกุศลธรรมแต่อย่าลืมว่าบารมีมีเท่าไหร่นะ บารมีมีสิบอย่างเนาะนทานบารมีเมื่อเราทำได้ระดับหนึ่งที่อยู่ตัวอยู่แล้วก็ควรที่จะเพิ่มพูลศีลบารมีเข้ามานะควรที่จะเพิ่มพูลจตุปริสุท ธ, ธิศีลให้มากๆขึ้นเพราะว่าศีลนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะศีลห้าอย่างเดียวนะศีลนั้นรวมถึงจตุปริสุท ธ, ธิศีลความบริสุทธิ์ของศีลสี่ประการอนะ ถ้าหากว่าศีลสังวรนี้ที่เราจะมั่นคงได้ยาวนานเราก็ต้องหมั่นเทียบเคียงว่าอารมมณปัจจัยใดที่สามารถทําให้ล่วงกรรมบดได้บ้างอาศัยแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์มาวิจัยบ่อยๆว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้ล่วงอกุศลกรรมบดได้ไหมที่กล่าวว่าล่วงกรรมบดนั้นเพราะว่าเป็นทางแห่งอบายถ้าครบองนี้เป็นเหตุให้ไปสู่ อบายได้ก็ต้องมันเทียบเคียงอย่างนี้มากๆเมื่อเราเทียบเคียงพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆกุศลศีลเราก็จะเกิดมากขึ้นนะนะถ้ากุศลศีลเราเกิดหนานแน่นกุศลศีลจะตั้งมั่นได้ยาวนานก็เพราะอินทรีสังวรนะอินทรีสังวรก็จะเกื้อกูลต่อกุศลจิตกุศลศีลเหล่านั้น ทำอย่างไรที่เห็นแล้วจะไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะเนี่ยนะมันเพียรพยายามที่จะให้จิตเป็นกุศลให้มากๆเพราะว่ากุศลธรรมเหล่านี้เป็นเป็นทรัพย์เนาะถ้าหากว่าผู้ใดมองกุศลจิตมองกุศลธรรมว่าเป็นทรัพย์เขาจ ะ, สะแสวงหาจะไม่อย่างแก้วแหวนเงินทองในโลกนี้ที่เราทำมาหารับหากินเนี่ยนะ อาบเหงื่อต่างน้ำนั้นอาบเหงื่อต่างน้าจริงๆตากแดดของสี่สิบห้าสิบองศาก็ไม่กลัวเลยใช่ไหมทนร้อนขนาดนั้นห้องบางห้องเนี่ยห้องอบบางอย่างเนี่ยร้อนมากจริงๆคนธรรมดาบางคนเนี่ยแทบทนไม่ไหวแต่ทําไมาจึงสู้ทนกันมากมายขนาดนั้นก็เพราะเรียกว่าอาบเหงื่อต่างน้ำนเนี่นะเพื่อให้ได้รั์มาทรั์เหล่านั้นที่ที่คนแสวงหา ม, มากขนาดนั้นเพราะอะไร เพราะเชื่อว่าทรัพย์เหล่านั้นช่วยเหลือเกื้อกูลเราเองในายามตกยากด้วยใช่ไหมทรัพย์เหล่านั้นก็จะพ่อพูเลี้ยงดูชีวิตของเราให้เป็นไปเมื่อเรามองสิ่งเหล่านั้นเป็นทรัพย์เป็นที่มาแห่งทรัพย์ทําให้เราเพียรพยายามขยันเหลือเกินไม่เลิกไม่ท้อมไม่แท้ไม่สิ้นหวังว่า ง, งั้นทําบางคนเนี่ยนะถึงกับยอมอดหลับอดนอนไ ล, ล้คืนติดกันเพื่อให้งานนั้น น, นมันสําเร็จลุล่วงไปถ้างานนั้นสําเร็จ รู้ว่าเออนี่ซับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะลาบยศโลกธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นอีกมากมายเขาก็พอใจ ย, ยินดีในซับอันนั้นถึงกับลงทุนลงแรงบางคนเนี่ยนะเสี่ยงด้วยชีวิตเลยอาชีพบางอาชีพนั้นใช้ชีวิตเป็นเดิมพันอย่า ง, างเช่นใกตัวอย่างคนที่ขับรถรับจ้างเนี่ยนะาจากจังหวัดหนึ่งขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นใต้ล่องเหนือจากอีสานล่องกรุงเทพจากกรุงเทพขึ้นอีสานเนี่ยนะ พวกนี้เนี่ยที่จริงรายได้เขาถ้าวิ่งเฉพาะเที่ยวเดียวธรรมดาเนี่ยนะขับรถวันละแปดชั่วโมงเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้เขาทํำยังไงอะ่ะเขาก็ต้องหาพวกยาบางอย่างที่มากระตุน้นเนี่ยนะถ้าเขาทําเที่ยวได้เร็วเจ้านายก็ไม่ดุเขาเขาก็สามารถที่จะมีเงินเนี่ยเหลือไปเลี้ยงครอบครัวได้เพราะว่าพวกนี้ในระหว่างทางก็มีการ อ, อาชีพพวกนี้มันก็ใช้จ่ายซูร้รูซู้ไร่พอสมควร นะถ้าหากว่าไม่เพียรพยายามอดหลับอดนอนขนาดนั้นเขาก็เลี้ยงดูครอบครัวเขาไม่ได้นะตามที่ที่ฟังคนที่เขาขับรถให้เล่าให้ฟังเนะีนะ่ยถ้าหากว่าส่งรถไม่ทันเวลาอีกนายก็ดูอีกนะเขาก็เป็นอยู่ลักษณะนี้เขาก็ใช้ชีวิตถ้าหากว่าเหลือสตังไปให้แม่บ้านน้อยแม่บ้านก็ดุเขาอีกอย่างงี้แล้วแม่บ้านก็ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมยังมีลูกมีล้านที่จะต้องรับเลี้ยงดูอีกเขาเพียรพยายามขนาดนั้นนะเพื่อให้มันได้ซับมา หรืออย่างอาชีพทั่วไปเนี่ยกรรมกรวันละร้อยกว่า บ, บาทเนี่ยเขาเขาทํางานอย่างสมมติว่าเขาทำสองแรงเลยนะี่ยทำทั้งหกทุ่มหรือตีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้สองแรงเตือนเช้าแปดโมงเขาเข้างานใหม่อีกเห็นไหมแล้วงานของเขาก็ใช้แรงซะส่วนใหญ่อย่างฉา ป, ปูนเนี่ยนะโอ้โหไหลเนี่ยแทบหลุดเหมือนกั น, เ, นนะเขาทําไหลเขาแทบหลุดเขาเพียรพยายามถ้าเขาคิดว่าเขาทําเสร็จเนี่ยนะ ในช่วงระยะเวลาสักสิบห้าวันเขาจะเหลือเงินประมาณสองพันอย่างเงี้ยเขาก็สบายแล้วเขาก็มีความคิดแบบนี้ของเขาอาบเหงือต่างน้ําเพียรพยายามจริงๆริงเลยนะนั่นคือทรัพย์ทางโลกเขาก็ยังเพียรพยายามขนาดนั้นในทรัพย์คือกุศลธรรมศาสทั้งหลายไม่ได้มองกุศลจิตกุศลธรรมว่าเป็นเป็นทรัพย์จริงๆรหากเมื่อเขามองว่ากุศลจิต<ฆ>กุศลธรรมเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์ของเขาจรงิงๆริงเขาต้องหมั่นเพียรพยายาม เมื่อไม่เกิดก็ต้องทําให้เกิดนะเพียงพยายามทําอย่างไรกุศลศสนจึงจะเกิดมากขึ้นนะก็ต้องหมันพยายามถ้าหากว่ากุศลศีลไม่ค่อยเกิดเนคขมมะจะไม่เกิดเนคขมมะก็คือกุศลจิตประเภทชานนั่นเองกุศลจิตประเภทชานประเภทวิปัสนานั่นแหละคือกุศลจิตประเภทเนคขมมะนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียงเนคขมมะบารมีต่อจากศีลบารมีเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นจตุปาริสุทิสินพื้นฐานจะต้องมั่นคงแล้วสีนนั้นมีฮีรโอตปะเป็นเป็นเหตุใกล้นะี่มันจะต้องปัจจัยอะไรที่จะทำให้ฮีรโอตปะเกิดก็ต้องหมั่นปรารบแบบนั้นบ่อยๆบ่อยๆน ะ, ะคนที่เจริญลักษณะนี้ใหม่ๆถ้ากุศลจิตยังไม่พอกพูนก็จะไม่ค่อยสดชื่นนะักแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เจริญไปประสบความสำเร็จระดับหนึ่งก็จะมีปราโมทนะ ปีติปราโมทยเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นมากๆเขาจะไม่ยินดีในอารมณ์แต่จะยินดีในคำสอนนะเขาจะปล่อยใจใเป็นไปกับคำสอนซะส่วนใหญ่นะมีชีวิตเป็นไปกับคำสอนเชื่อมั่นว่าหนทางคือกุศลธรรมเหล่านั้นสามารถช่วยให้เขาพ้นทุกได้เพราะการศึกษาคำสอนมาเป็นเป็นอย่างดีแล้วเขาก็มองตลอดสายแล้วก็สามารถที่จะเจริญบา ร, รมีได้ได้ทั้ง10อย่างต่อไป แต่สำคัญที่สุดก็คือมองกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นอริยทรัพย์นะเมื่อเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะมันหาเหตุหาปัจจัยให้กุศลจิตเกิดขึ้นนะเพียรพยายามจริงๆนะยิ่งกว่าอาบเหงื่อต่างน้ำอีกเพราะฉะนั้นนึกถึงวันก่อนที่ผู้การกล่าวถึงลูกของเศรษฐีครหบดีหรือพระราชา ม, มหากรส ก, กที่ออกบวชอะเนี่ยนะ ท่านเหล่านั้นเนี่ยออกบวชแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังนะไม่เห็นแก่หลับแกนอนไม่เห็นแก่อมิตรไม่เห็นแก่อย่างอื่นสักอย่างเดียวท่านเห็นแก่กุศลจิตกุศลธรรมของท่านอย่างเดียวท่านมองว่ากุศลจิตกุศลธรรมของท่านเป็นเป็นทรับนะแล้วทรัพย์อันนี้เนี่ยนะน้อมไปเพื่อที่จะนะถ้าหากว่าน้อมไปเพื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเพื่อให้ได้มนุษย์สมบัติ นะอริยทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีลประพฤติ ธ, ธรรมในพระพุทธศาสนาท่านน้อมมาเพื่อพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยนะว่าเออด้วยผลของบุญนี้ขอให้พระเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ เ, เขาเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำเห็นไหมในบรรดาพรหมจรรย์ทั้งหมดเนี่ยต่ำมากเพราะตั้งความปรารถนาไว้ต่ําถ้าหาว่าน้อมกุศลธรรมอันนี้มาเพื่อเทวสมบัติหรือพรหมสมบัติเขาเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ชั้นชั้นกลางชั้นกลาง แต่ถ้าหากว่าน้อมพรหมจรรย์อันนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์อันนี้เป็นพรหมจรรย์อย่างสูงสุดเนี่ยนะเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงสุดเพราะว่าน้อมน้อมกุศลเพื่อกุศลน้อมกุศลเพื่อกุศลน้อมโลกิยะกุศลเพื่อโลกุตระกุศลศถ้าลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการเจริญเพื่อถอนตนจากวัฏะถ้าเราสังเกตดูในพระสูตรทั่วไปแล้ว มีพระสูตรไหนบัง่งที่พระองค์สอนให้ยินดีในพบหายากมากเว้นไว้แต่ว่าเป็นอุบายแห่งคำสอนจะพูดถึงทานกถ า, าสีลกถาแลาา้วก็สัขกขากถาพูดถึงสวรรค์ก่อนหลังจากนั้นพระองค์ก็จะสอนเรื่องของเนคคัมมะเนี่ยนะกามมาทีนบโทษของกามเสร็จแล้วก็เนคคัมมะจนถึงกับบรรดุมรรคผลนนพานประกาศอริยสัจหมดพระองค์นี้เป็นผู้ที่เห็นโทษเห็นภายใน ในวัฏฏะจริงๆการที่เราอยู่ทั้งหลายอยู่ในในสุขติภูมิเนี่ยนะเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยขึ้นขึ้นไปที่เขาอะ่ะขึ้นเขาไปมันก็มีที่เขาล่องน้ำอะ่ะเขามีฝรั่งไปไปไ ป, ไ ป, ไปล่องน้ำเขามีแพรใช่ไหมให้ฝรั่งเนี่ยล่องน้ำไปเขาก็จะล่องเป็นช่วงๆใช่ไหมอีกช่วงหนึ่งก็จะขึ้นมาแล้วทาไมไม่ล่องให้มันตลอดอะ่ะ ไหลไปเลยอะใช่ไหมทําไมไม่ล่องแพรให้มันไหลไปถึงน้ําปิงอะเพราะว่าในระหว่างที่ล่องมันจะมีน้ําตกด้วยถ้าล่องไปช่วงที่ไอช่วงช่วงล่องแรกแรก็ดีใช่ไหมถ้าล่องไปตรงน้ําตกอะไรจะเกิดขึ้น ช, ชีวิตของผู้ที่อยู่ในสุขติภูมิเนี่นะมันก็เหมือนกับกําลังล่องแพรที่เพลินๆ น, นั่นแหละสังสารวัตรมันก็เหมือนกับห่วงน้ํามันก็ไหลไปอย่างนี้เรื่อย นะการที่เราเกิดในสุขติภูมิเนี่ยก็เหมือนกับขณะที่กำลังร่องแผลที่สบายๆแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเห็นโทษของวัตถะเพื่อที่จะขึ้นบกซะจะได้ไม่เป็นไปตามกระแสนั้นเพราะพระ อ, องค์เห็นว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันเหวเยอะเนี่ยนะเหวของชีวิตนี้มากจริงๆนะถ้าหากว่าเราเผลอเมื่อไรนะอบายเนี่ยเป็นเหมือนกับที่อยู่ประจาเพราะว่านะเราเราทกรรมก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะบาปอากุศลต่างๆที่ สะสมกันมาก็มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมของเราถ้าศึกษาเพื่อสลับออกเราก็จะศึกษาได้ยาวศึกษาได้มากแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นตะบะเป็นพรหมจรรย์แล้วก็เป็นบารมีของเราด้วยแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาตรงกันข้ามนั้นๆเราจะศึกษาพระธรรมคําสอนได้ได้ไม่ยาวนะถ้าเราไม่มีทัศนคติในการออกจากสังสารวัฏเนี่ยนะศึกษาพระธรรมไประยะหนึ่งก็เริ่มเบือ่อละเริ่มไม่สนุก เหมือนกับว่าพระธรรมนี้แก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้เพราะว่าเราส่วนใหญ่ก็ต้องการกามใช่ไหมเมื่อต้องการกามเนี่ยพระธรรมกลับพูดถึงแต่โทษแห่งกามทั้งหลายนะเมื่อพระธรรมกล่าวถึงโทษแห่งกามมากมากศาทั้งหลายที่ไม่เห็นโทษของกามกําลังลอยเรือเพลินเนี่ยนะคนที่มาเรียกให้ขึ้นบกเออขึ้นบกมาขึ้นบกมาก็จะ ร, ารําคาญเอ้ยฉันกําลังเล่นน้ําสนุกสนุกของฉันกําลังลอยแพเพลินเพมาเรียกขึ้นบอกอยู่ได้ชัก ร, ารําคาญ ศึกษาพระธรรมมากมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เรียกเพราะงั้นเดี๋เสียงกู่เสียงเรียกให้ถึงฝั่งแห่งอมตะธรรมก็จะเบื่อละกเริ่มไม่สนุกว่ายมีแต่ไม่เที่ยงไอ้นู่นก็ไม่ดีอนี่ก็ไม่เที่ยงไอ้นั่นก็ไม่ทนไม่มีทาวล่านั่นก็อนัตตาไม่ใช่อตตาไม่ใช่สรัพย์ไม่ใช่บุคคลทาก็อย่างชักไม่ไม่ค่อยสนุกแล้วนะเมื่อไม่ค่อยสนุกก็หันหลังจากพระศัทธรรมเมื่อหันหลังจากพระศัทธธรรมก็คือเป็นคนไข้ที่หันหลังให้ยา นะเขาก็ไม่มีโอกาสได้หายจากจากโรคอันโรคคือบาปคืออกุศลเนี่ยนะถ้าบาปอากุศลยังกลัดกลอนจิตของเราไปมากเท่าไหร่นะสังสารวัตเรานี่เป็นคนอาภัพแน่วันนี้สนทนากับพระก็บอกว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยรอให้พระพุทธเจ้ า, ามาโปรดหรือว่าพระพุทธเจ้ า, ารอเราอยู่กันแน่กำลังนึกอยู่ก็ <c oughs> บอกว่า ให้ hey, เราก็รอให้เกิดจะไหมเราเนี่ยจะได้ไปเกิดทันพระพุทธเจ้าเราเนี่ยรอพระพุทธเจ้าแน่นะก็บอกว่าท่านหันไปข้างหลังแล้วเปิดพระไตรวิฎกเทว่าพระพุทธเจ้ารอเราอยู่ไม่รู้ใครรอใครอนะ่ะเนาะเราคิดว่าพระพุทธเจ้ารอเราหรือว่าเรารอพระพุทธเจ้าองค์หน้าเอาไงถ้าพระพุทธเจ้ารอเราก็จะได้หันไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านมากๆ แล้วใครรอใครอ่ะนะพระเจ้าบอกว่าเมื่อไรนี่จะมีเอินรีแล้วแกสักทีอ่ะนะจะได้เปิดพระธรรมคำสอนจะได้คน้นคว้าจะได้ลึกซึ้งก็ไม่มีทางอื่นจริงๆเลยถ้าหากว่าตามจังกีสูตรเนี่น ะ, ะตามกีตาคีริสูตรนอกจากการฟังนะมีศรัทธาเข้าไปหานั่งใกล้เงียสดลงสดับแล้วก็ทรงจำเอาไว้ไม่มีหนทางอื่นจริงๆ นะถ้าใครเชื่อว่ามีหนทางอื่นท่านเหล่านั้นจะไม่ใช่สาวกเลยนะถ้าเราศึกษาเรื่องสังฆคุณมากๆเราฟังดูนะถ้าเราสวดเลยนะสุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนะสุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสฆงสาวกสาวกก็คือผู้ฟังฟังใคร ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสุปฏิปันโนดำเนินไปตามปฏิปทาที่ดีแล้วปฏิบัตินี้บางทีก็แปลว่าเครื่องดำเนิน <c oughs> เครื่องดำเนินของท่านท่านดำเนินไปดีแล้วเพราะท่านาดำเนินดีไม่ได้ดำเนินชั่วดำเนินชั่วเป็นอย่างไรก็คือปฏิบัติแบบ นอกศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าดําเนินชั่วดําเนินดีก็คือดําเนินตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยนะอุชุปฏิปันโนดําเนินไปตรงดำเนินไปตรงนั้นตรงไหนคําว่าอุชุก็คือเป็นไปตามมัชฌิมาปฏิปทา สรพิษกัดเหมือนกันสี่ตัวเมื่อกี้ใครถามอ่ะงูกี่ตัวสี่ตัวเราสรพิษชื่อดินน้ำไฟลมเนี่ยเวลานี้ไม่สามัคคีกันเมื่อไม่สามัคคีก็เกิดทำร้ายกันนะเออมันไม่เว้นแม้กระทั่งพระสมบัตินะโอ้ทำ <c oughs> ไมกินยาปานี้ก็แย่แล้ว ใครจะมีปัญหาอะไรถามหน่อยไหมคุณจันทนามีอะไรั้มเคยถูกอสสรพิษกัดไหมอ๋อเหรอทุกเพื่อนถูกกัดมาเหมือนกันเหรอโอ้โหตัวใหญ่นะ <c oughs> ตัวใหญ่มากเลยถูกกัดเป็นเดือนอคือลืมลืมทั้งที่ปฏิบัติมันอย่างดีเลยนะกั้งคืนนอนก็พยายามที่จะคลุมมันให้ความอบอุ่นมันนะ มันก็ทรยศจนได้มันร้ายจริงๆแล้วคุณลุงอะเป็ไงเอ๊ะวันนี้ใหม่ยี่มเลยนะคุณลุงวัน น, นีน้คุณลุงใหม่สายจะมีคุณนีนสัยเนคขมืกเอาอย่างอาจารย์บุษบงไหมเป็นอันาคาริกอจะบวช <นะ S 2> อยู่เหมือนกันเนี่ยเราคนทำเครื่องเสียงแทนเนี่ยเหรอ อ, อืเอเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจทำ ก, ก่อนนะ งหาคนทำมาแทนไม่ได้ถ้าหาคนทำแทนได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละใครสมัครบ้างอ่ะยกออไม่ต้องดูแรงด้วยนะว่ายกไหวหรือเปล่าร <laughs> ับสมัครมายกอนไนมาตัดต่อนี้เสร็จแล้วยกเครื่องไม่ไหวหนี่ก็แย่นะ <laughs> ถึงไหนเลยใครลืมเลย องอสรพิษท่านเลยอสรพิษกทาเข้ามาแทนนะเขาบอกว่ามหาภูตรูปนะถ้ามันซื่อสัตรหรือถ้ามันมีฮิริโอตะปะเขาก็ไม่น่าจะกัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมอสรพิษนี่กัดแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะบางครั้งนี่พระองค์อาเจียนออกมาเป็นเลือดถ่ายพระบางคนเนี่ยเป็นเลือดอไอเนี่ยเป็นเลือดพระมี แสดงธรรมแสดงธรรมไปก็โปวดหลังอันั้สารพิษนี่ไม่ไม่เลือกใครสักอย่างแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เลือกหรือถ้าสารพิษรู้จักกลัวนะก็น่าจะกลัวพระเทวทัพด้วยเทวทัพนี่อันตรายขนาดไหนก็อสรพิษไม่กลัวนะอันมาภูติรูปเหมือนกับอสารพิษนะถ้าผู้ที่มีสัญญาความจําไม้แบบนี้มากๆอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตะ ในปัญจโวการภูมิมีที่ไหนบ้างไม่มีมาพูตรูปในปัญจโวการภูมิภาพที่เราเห็นทั้งหมดเลยก็คือสีของมาพูตรูปนั่นเองใช่ไหมสีที่จริงสีนั้นไม่มีสถานะเป็นของตัวเองนะเป็นเป็นลักษณะเป็นอาการของมาพูตรูป เพราะเขาเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่อาศัยมหาพูทธรูปอีกครั้งหนึ่งถ้ามหาพูทธรูปมีความร้อนมากสีก็จะเปลี่ยนถ้ามหาพูทธรูปเร็วมากสีก็จะเปลี่ยนแล้วแต่ว่ามหาพูทธรูปจะเป็นไปในอาการใดสีก็จะเปลี่ยนไปตามอาการนั้ น, น, นแล้วมหาพูทธรูปนั้นมีสมุทฐานทั้งสีประการด้วยกันแม่แต่คำพูดที่ต่อมาพูดเนี่ยนะ เสียงเหล่านี้ก็คือเป็นอะไรอุปาทายรูปมันก็เป็นอาการอีกอย่างหนึ่งของมหาพูตธ ร, รูปเห็นไหยเพราะฉะนั้นมหาพูตธ ร, รูปนี้มันใครเลี้ยงไม่ดีก็ก็กัดนนหละก็เหมือนกับสารพิษมหาพูตธ ร, รูปนี้เป็นขันไหมเป็นเป็นนะเป็นขันอะไรเป็นรูปปะคัน มหพุทธรูปเนี่ยเขาจะเป็นผู้ฆ่าถ้าเรียกในนามขันของเขาเขามหาพูทธรูปปฐวีก็จะฆ่าอาโปฆ่าวาโยฆ่าเตโชก็จะฆ่ากันเองฆ่ากันเองเบียดเบียนกันเองอย่างนั้นนั่นแหละนะแล้วมหาพูทธรูปนี้ถ้าเขาใส่มากมหาพูทธรูปถ้าใส่เขาก็เป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณหรือจิตนะถ้าเขาใส่บางอย่างมีกรรมเป็นสมุทฐานก็รับภาพได้ นะความใสอันนั้นก็เป็นที่อาศัยเกิดของจากขูวิญญาณความใสาบางอย่างเขาสา ม, มารถรับเสียงได้ก็เป็นโสตะภาษาธาความใสาบางอย่างเขาก็สา ม, มารถรับรับกลิ่นได้รับรสรับโพธะธาได้และก็เป็นที่อาศัยเกิดของมโนวิญญาณคือความคิดทั้งหมด น, น, นะะถ้ามหาภูตรูปเหล่านั้น ปัจจัยของมหาภูตรูปที่ทําให้มหาภูตรูปนะหล่อเลี้ยงอยู่ได้ถ้ามหาภูตรูปคือกรรมัชรูปนะเขาจะมีชีวิตรูปเป็นรูปชีวิตตินณริยะปัจจัยหล่อเลี้ยงเขาไว้นะอันนี้เขาเรียกว่าอายุถ้าหากว่าอายุคือมาคือชีวิตติณรีย์เนี่ยหมดไปมหาภูตรูปก็จะหมดคุณภาพแล้วมหาภูตรูปอันนั้นก็มีรูปเรียกว่าอาหารรูปหรือโอชารูปเป็นรูปอาหารปัจจัย หนหล่อเลี้ยงมหาภูตรูปนั้นเอาไว้แล้วมหาภูตรูปอ น, นั้นยังมีจิตเจตสิกที่เกิดหลังๆเขาเป็นปัจฉาชาตปัใจจัยให้เขาเขาจึงอยู่ได้ถ้าจุติจิตดับไปเขาก็หมดทันทีเลยเขาก็แปลสภาพไปเป็นอวินิพครูปเป็นฝุน่นเป็นอะไรธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นพระองค์ใช้คำว่ากรัชกายกายที่เกิดจากธุลีเห็นไนะ กายที่เกิดจากธุลีโอสอาหารที่เรารับประทานก็เรียกว่ากรัชกายกายที่เกิดจากธุลีพันธุลีเหล่านี้ถ้าหากว่าปัจจัยต่างๆนะรูปอาหารปัจจัยรูปชีวิตอินจริยะปัจจัยปัจฉาชาแต่ปัจจัยไม่เกิดนะปัจจัยเหล่านี้หมดไปกรรมมชโรบอันนี้ก็วิบัติด้วยถ้ากรรมมชโรบวิบัติจิตตชโรปก็วิบัติ เพราะว่ากรรมชรูปเป็นรูปอุปธรรมจิตตะเฉลอาหารชรูปและอุตุูฉลูเขาจะไปอุปธรรมพวกรูปเหล่านั้นถ้าหากว่ากรรมชรูปวิบัติจิตตะเฉลก็วิบัติไม่เป็นไปตามประสงค์แน่นอนยกตัวอย่างเช่นกรรมชรูปในส่วนคอวิบัติการพูดก็วิบัติไปด้วยจิตตะเฉลก็วิบัติ หรือว่าถ้ากรรมมาชรูปในส่วนแขนวิบัติยกแขนไม่ได้ขยับไม่ได้เสียหายนะจิตตชรูปเหล่านั้นก็ทำหน้าที่ไม่ได้มากนะักและอาหารชรูปไปหล่อเลี้ยงเกื่อกูลไม่ได้เพราะฉะนั้นในความเป็นขันของเขาเนี่ยเขาก็จะฆ่ากันเองซึ่งกันและกันเขาก็จะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนามมาทำซึ่งเป็นอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะจึงไม่ได้มีความมั่นคงอะไรเลย ในความคิดของเราที่เรานึกคิดทั้งหลายเลยเนี่ยดูเหมือนเที่ยงความคิดเนี่ยแต่ความคิดอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเคลื่อนเท่านั้นเองได้ปัจจัยเขาก็มีได้ปัจจัยเขาก็มีความคิดนะนะเราจึงเชื่อความคิดไม่ได้พระองค์จึงอุปมาความคิดเหมือนกับนักเล่นกฏมายากฎใครเชื่อความคิดมากคนนั้นทุกมากนะเพราะความคิดเกิดด้วยปัจจัยเท่านั้นเองแต่ แต่บอกเออความคิดไม่เที่ยงไหมเกิดด้วยปัจจัยเออบาปก็ไม่เป็นไรถ้าอไย่างนี้แย่แล้วนะถ้าอไย่างนี้หมายจะเอาวิปัสสนาชั้นสูงแล้วปล่อยใจให้บาปอันนี้แสดงว่าอันนี้มีปัสสนาเทียมแน่นอนเพราะว่าถ้าหากว่ายิ่งรู้ปัจจัยของจิตมากเท่าไหร่จิตเนี่ยนะเหมือนมายากลจริงเขามีเจตนาเกิดร่วมด้วยเนาะเจตนานั้นจะไม่ลืมเราเลยนะ เราจะทําบาปแล้วเราลืมเลยโอ้สมัยก่อนเคยทําบาปทิ้งไว้บาปไม่ลืมเรานะได้ปัจจัยพร้อมเล่นงานเราทันทีเลยนะเหมือนกับยูยูแล้วใช่ไหมยูยูขับรถเครื่องไปแล้วเอาหน้าไปถูลาดยางอะ่ะปึ๊ดก็เคยเห็นหรือเปล่ า, านั่นแหละเอาแขนเนี่ยไปถูลาดยางเลยเนะี่ยถูถนนน่ะนั้นถ้าอากุศลมันจะให้ผลเนี่ยนะถึงจะขนาดไหนก็ช่างพร้อมที่จะกัดกัดได้ตลอดเวลาจริงๆถ้าบาปเหล่านั้นแปลสภาพมา บางทีลืมเลยคิดว่าชมนกชมไม้สัเพลินเลยลืมอกุศลพราก ท, ทันทีว่านะนกกาลังคุยกันอย่างเพลินเลยนะนึกว่าไม่มีเพศภัยอะไรใช่ไหมกําลังวิบากอย่างนี้พูดจาจะจ า, จาแบบนกอ่ะนะอยู่ในพรานสอยร่วงทั้งคู่เลยนะ่ะอกุศนมันก็จะให้ผลปลากําลังแหวกว่ายอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยนะไปเจอใสเจอบ่วงเข้าเรียบร้อ ย, อยนั่นแหะ มนุษย์เราก็เหมือนกันขณะที่กําลังเพลิดเพลินอยู่นั่นแหละมัดจุก็มาคร่าวไปนะถึงเราจะลืมบาปลืมอะไรก็ตามเจตนาเหล่านั้นจะไม่ลืมเราเจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปไม่ลืมเราเหมือนกับเหมือนกับเราลืมแก่แต่แก่จะไม่ลืมเราเด็ดขาดเลยเราลืมตายแต่ความตายจะไม่ลืมเราเด็ดขาดนะอันนี้เป็นนิยามธรรมชาติ เึื่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ช่างหรือไม่ตรัสรู้ก็ตามมันเป็นสัจธรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทพระองค์ตรัสไว้เลยว่าพระองค์จะอุบัติเกิดขึ้นก็ตามไม่อุบัติเกิดขึ้นก็ตามนิยามแห่งนะกรรมนะกรรมมนิยามก็จะต้องเป็นไปตามนั้นจิตตานิยามอุตตนิยามพีชานิยามก็จะเป็นไปตามนั้น แต่พระผู้มีพระภาคเอามาแสดงมาเปิดเผยมาประกาศทำให้เติ้นทำให้ง่ายมาแสดงเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ประจักษ์นะถามว่าการประจักษ์ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเป็นหนทางแห่งความพ้นจากกองทุกข์มันถ้าหากว่าชีวิตเราไม่สามารถที่จะมองเห็นปฏิจจสมุปบาทของชีวิตเลยนะเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากกองทุกข์เพราะว่าถ้ามองปฏิจจสมุปบาทออกก็จะมองสัตว์จากออกและ นะมองปฏิจจส ม, มุติบาทออกมองเห็นสัจจะเท่าไหร่แล้วนะมองเห็นสองสัจจะเลยเนาะทุกข์ษัตริตย์กับส ม, มุทัยยศ ย, ยกตัวอย่างเช่นมองเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจยนี่แหละคือชาติชราพยาธิมรณนะอันนี้คื อ, อทุกข์กษัตริย์ใช่ไหมทุกเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยนะทุกเหล่านี้ทั้งหมดมีชาติชาติมีอะไรเป็นปัจจัยมีภพ นั่นแหละพวกภพนั่นแหละตระกูลสมุทัยสัตว์ลักษณะเดียวกันเราก็กำลังทําพบใหม่เพื่อแบบนั้นอีกอเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ก็จะมองเห็นสัตว์จะสองและทุกขัตว์กับสมุทัยสัตว์นิโรสัตว์คืออะไรนะ<ม>การสำรอกตัณหาหรือสำรอกเหตุการดับเหตุโดยไม่มีส่วนเหลือนั่นแหละเรียกว่านิโรสัตว์ อริยมรรคเกิดขึ้นละสมุทัยสัตว์เป็นสมุทเฉทประหารนั่นแหละเป็นนิโรสัตนะเพราะว่าถ้าไม่ละกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารอย่างไรสมุทยัยนิโรสัตจะไม่เกิดจะไม่อย่างถึงจะไม่เข้าถึงลักษณะอันนั้นแต่อย่าลืมว่าสมุทเฉทประหารนั้นมีประหารอะไรเป็นปจัจจัยมีแต่ทางฆ่าประหารเป็น ปัจจัยนะแต่ทางข้าประหารมีอะไรเป็นปัจจัยนะมีวิขำพนะประหารนั่นแหละเป็นปัจจัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นสมถาวิปั ส, สนาเป็นยุคคนธรรมยุคคณธรรมเป็นธรรมะคู่และก็สมถาวิปั ส, สนาเป็นภาเวตาธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญนะเป็นธรรมที่ควรเจริญควรพอกพูนให้มากๆ ถ้าหากว่าเราไม่เข้าถึงอริยมรรคอริยผลเป็นต้นแล้วอย่างไรวงจรชีวิตเราก็จะเป็นไปอย่างนี้ตลอดอชีวิตของเราเหล่านี้นะถ้าไม่อาศัยคำสอนเราจะรู้ไหมเนี่ยนะกรกระแสชีวิตของเราซึ่งกำลังเป็นไปเนี่ยซึ่งเป็นทุกขศาสตร์กับสมุทัยศัตร์นีเอาเป็นสารณะได้ไหมอุลสลศีลของเราก็เป็นทุกขศาสตร์ เพราะว่าถ้าเอาอาริยมรรคศาสตร์ษษษสูงสุดเลยก็หมายถึงองค์มรรคแปดที่ในมรรคจิตเนี่ยนะที่ในมรรคจิตนั่นเรียกว่าอาริยมรรคแต่กุศลธรรมของเราทั้งหลายเนี่ยนะเป็นมรรคปัจจัยเป็นมรรคปัจจัยซึ่งเป็นโลกิยะโลกิยะอันนี้เอาเป็นสารณะได้ไหมถ้าเอาเป็นสารณะได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เอาพรหมเป็นสารณะหรือเอาอารูปพรหมเป็นสารณะใช่ไหม เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังคตะธรรมแล้วเป็นสังคตะธรรมด้วยแล้วเป็นไปในวัตตะด้วยเป็นโลปิยะธรรมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเอาเป็นสารณะไม่ได้ณนะชีวิตของเราเนี่ยส่วนไหนเอาเป็นสารณะได้บ้างเนไหแต่คำสอนที่ชี้เรื่องชีวิตของเราอย่างตลอดสายเอาเป็นสารณะได้คำสอนอั น, นั้นเป็นของใครของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเราปฏิบัติตามนั้นได้มากเท่าไรในความเป็นสาวกของเราก็มากมากเท่านั้นเพราะนั้นการศึกษาพระธรรมชั้นสูงขนาดไหนก็ตามถ้าทิ้งสารณะแล้วนะทิ้งสารณะแล้ววิบัติแน่นอนอถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้อ่านเทระคถาหรือเทรีคถาอุทานของพระอริยะสาวกเกือบทุกท่านกล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าสัก เกือบทุกรูปทุกท่านเลยกล่าวถึงว่าชีวิตของท่านเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่เป็นหมนหนอเนี่ยนะท่านไม่ไม่ไม่สมเดาไปเองนะนั้นท่านจะมั่นคงในพระตนตรายมากอย่าลืมว่าพระโสดาบันเป็นอาจรสัทธาเท้าสกะให้สุปปพุทธกุติคนโรคเรือนพูดคำว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระพูทไม่ใช่พระพพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ ถ้าพูดได้แค่นี้จะยกสมบัติให้สุปาปผู้ท่าก็ถามว่าท่านเป็นใครบอกเป็นเท้าสักกะไปเลยว่างั้นรีบไปเลยขนพานงั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกับท่านคำสามคำนั้นเขาไม่สามารถจะพูดได้หรือคำเดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ า, เ, จาเขาพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการศึกษาของเราในในในยุคนี้ต้องมัน ให้เข้าใจในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้มากคือที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าศึกษามาระดับหนึ่งแล้วนะเราท่องเที่ยวไปในโลกกว้างระดับหนึ่งคนที่ปฏิบัติธรรมนานๆห่างพระพุทธเจ้าจริงๆห่างศาสนามื่อแรกๆนะบอกศาสนาพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเลยนะนานๆเข้าไม่ใช่แล้วนานๆเข้านี่ไม่ใช่เลยนะถ้าปฏิบัติจนเป็นระดับอาจารย์เนี่ยชั้นนี่แหละ เพราะฉะนั้นคุณมาก็เอาผู้ศาสนาบางังแต่ว่าเป็นศาสนาของชั้นไปตั้งนานแล้วมาธารมาจะให้เองกัแนะนําเ อ, ง, อางนี่ไงของใครไม่มีคําว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นแม้แต่คําเดียวเลยไม่ได้ดึงให้คนเหล่านั้นถึงไตรสารณาคมเลยไม่ได้สอนให้คนเหล่านั้นถึงไตรสารณาคมเลยกลายเป็นคนตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่แฝง แฝงในรูปแบบของพระพุทธศาสนาซึ่งซึ่งในในทุกวันนี้กำลังสังเวกว่าทุกอันนี้เกิดมากมากจนไม่รู้จะมากยังไงแล้วคือคือเห็นถึงความเสื่อมของคำสอนขนาดนั้นแล้วว่าตอนนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยคนเข้าใจเรื่องพุทธคุณน้อยมากนั่นคือบ่งถึงความ ความจะหมดธรรมคุณแนละแสดงว่าธรรมคุณนี่อ่อนขนาดนั้นเพราะไม่สามารถเข้าใจพุทธคุณแนละ้เมื่อเขาไม่เข้าใจพุทธคุณธรรมคุณ<ๆ>เขาจะรู้จักสังฆคุณได้อย่างไรเขาจะไม่รู้จักสังฆคุณเมื่อเขาไม่รู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเขาจะไม่รู้จักศิกขาแน่นอนศิกขาเพราะมีเพราะศิกขาคือศึกษาในาศาสนานี้ สิขาสามนั่นเป็นของใครก็ของพระพุทธเจ้านะถ้าหากว่าเราเคยอ่านสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยังมรรคที่ไม่ยังไม่เกิดให้ให้เกิดขึ้นใช่ไหมเอกายโนโยังพิขเวมรโคสตัตตานังนะวิสุทธิญาเนี่ยนะคำว่าเอกายโนโอยังพิขเวเนี่ยนะอายณะตรงนั้นเนี่ยเป็นทางของพระพุทธเจ้านะเป็นทางของพระพุทธเจ้าเพราะทางเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีไหม อริยมรรคเนี่ยนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นไหมไม่เพราะฉะนั้นอริยมรรคจึงเป็นของพระพุทธเจ้าเพรา ะ, ะนั้งคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดประชุมลงที่สิกขาสามนะก็คือสิกขาสามเพราะฉะนั้นคําสอนทั้งหมดเหล่านี้คือของพระพุทธเจ้าสิกขาสามเนี่ยนะางรกถางชัดคือกิเลสตัณหาเป็นต้น คำสอนทั้งหมดสิกขาสามก็เป็นเหมือนกระดาบเป็นเหมือนกับอาวุธที่มาชำระสะสางชัดคือเรารกไหมชัดคือมิจฉาทิฐิเป็นต้นที่เกิดขึ้นในในใจของเรานั่นแหละฐานชัดคือบาปฐานชัดคืออกุศลทางชัดคือกิเลส ต, ตัณหาเป็นต้นนั่นแหละเพราะนั้นคำสอนเหล่านั้นเป็นของพระผู้มีพระภาคพระองค์เป็นผู้ที่ทำมัตที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา อริยมรรคจะไม่เกิดเลยกา AH. จารติง <during> ย <Rainbow Mercy> ังมาแฟวเลยวันก่อนอ้าวของพระปเจกอะว่าไงก็ว่าว่าไงเปล่าก็คือพระปเจกเนี่ยนะคือใครพระปเจกคือพระที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอย่างบริบูรณ์เหลือแต่เหลือแต่มรรคจะเกิดเท่านั้นเอง ไม่มีเฉพาะมรควิถีในอัตกรทาคควิสานสูตรสุตตานิบาตกล่าวถึงผู้ที่จะบรรลุพระปัจเจกพรพุทธเจ้านั้นจะต้องปฏิบัติวัดในการกรรมฐานเอากรรมฐานไปกรรมฐานกลับอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะจึงทําให้ท่านบรรลุเป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านต้องปฏิบัติในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอย่างบริบูรณ์ และพระปเจกับพุทธเจ้าจะมีเฉพาะกับที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นกับใดที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับนั้นจะไม่มีพระปเจกับพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่เกิดพระปเจกับพุทธเจ้าจะเกิดในกับที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระปเจกับพุทธเจ้านั้นได้ปฏิบัติในสานักของพระพุทธเจ้าองค์กรอย่างดีเนี่ยนะ เพียงแต่ว่าท่านสะสมบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้เองเพราะฉะนั้นท่านก็ยังยังอยู่ในพระพุทธศาสนาถามว่าที่ใช้คำว่าพุทธพุทธะแปลว่าอะไรนศะาสนาของผู้รู้อริยสัจอะพุทธะก็คือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจอะเรียกว่าพุทธพุทธะคือผู้ตรัสรู้อริยสัจพระประเจกเนี่ยท่านบรรลุอริยสัจใช่ไหม เพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ในพุท ธ, ธเป็นนับหนึ่งในพุทธ3พุทธามี3านะหนสัมมาสัมพุท ธ, ธะสองปเจกพุท ธ, ธะสาสาวกับพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นพุท ธ, ธะหนึ่งในใน3นะหนึ่งในสเพราะฉะนั้นถ้าแต่ท่านบัญญัติคาสอนไม่ได้เลยไม่มีพระพุทธศาสนานะเลยไม่ไม่เรียกว่าศาสนาเพราะท่าน ท่านเป็นพุทธะแต่ท่านไม่สามารถประกาศศาสนาได้ไม่สามารถที่จะบัญญัติวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเป็นอัพยากตะเป็นสัพ ป, ป, ป, ปัจยะเป็นสังคตะเป็นต้นเนี่ยท่านไม่สามารถบัญญัติได้แต่ท่านแทงตลอดท่านมีปัญญามากกว่าพระอัครสาวกเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยเทียบกันไม่ติดเลยว่าพภาษาริบุตรกับพระปัเจกเนี่ยห่างกันมากห่างกันจริงๆ แต่ท่านเหล่านั้นก็แทงตลอดสิ่งเดียวกันคือคืออริยสัจเหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นในการศึกษาของเราเนี่ยนะพยายามนึกว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ ท, ท่านสั่งสอนว่าอย่างไรนี่นะเราจะได้อนุวัตตามท่านถูกนะจะได้อนุวัตตามท่านถูกไม่ใช่ให้ท่านอนุวัตมาตามตามเราเนี่ยนะเั้นไปเจอคําว่าโอปะณียโกที่ท่านแปลว่าควร น, น้อมใจเข้าไปหา เนี่ยตรงกับตรงกับสภาคำแปลนี้มากที่จริงอ่ะอัตถกฐานนะให้แปลแบบนั้นแต่ของเราแปลกันเองส่วนใหญ่ว่าน้อมเข้ามาหาตัวนะที่จริงอ่ะแปลว่าควรน้อมจิตเข้าไปหาแล้วคำว่าสันทิิโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปัยยิโกปัจจตังเวทิตัาโพวินยูหิเป็นชื่อของอริยมรรคอริยผลและนิพพานเท่านั้นนะหมายถึงโลกุตระธรรมอย่างเดียว ยกตัวอย่างเหมือนกับในมหาตันหาสังคยสูตรที่เราเอามาเรียนในวันเสาร์ที่แล้วใช่ไหมจะเห็นว่าตรงนั้นพระองค์ประกาศอริยสัจแล้วเนี่ยพระองค์จึงใช้คําว่าสันทิทิโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกเป็นต้นนะสร์เหล่านี้จะใช้เมื่อเมื่อกล่าวถึงคุณของโลกุตระธรรม น, นะเพราะว่าส่วนทั่วไปแล้วนะจะโอปันญิโกโลกิยะธรรม แล้วก็เอหิปัสสิโกเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่เคยฟังมาก็จะรู้ว่าเอหิปัสสิโกที่ถูกต้องเนี่ยนะคือสิ่งที่จะเรียกให้คนดูสิ่งนั้นต้องดีจริงๆนะไม่ใช่เรียกให้ดูอะไรก็หมายรู้ของปฏิกูลเนี่ยอยากเรียกให้คนมาดูไหมเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกมาดูนั้นดูโลกุตระธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในในวิสุทธิมรรคเป็นนะท่านกล่าวถึง ธรรมคุณตั้งแต่สันทิท่ิโกเป็นต้นนั้นได้แก่โลกุตระธรรมแล้วถ้าเจอในพระ ส, สูตรทั่วไปนะในอังคุตระนิกายติการนิบาตและอีกหลายแห่งถ้าสันทิธิโกอากาลิโกเป็นต้นเนี่ยเป็นชื่อของโลกุตระธรรมซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นธรรมคุณบทเรานั้นนะเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจให้ให้ถูกต้องถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วมันลาบากนึกถึง คำพีกัจจยนะที่พระกัจจยนะเถระท่านรจนาขึ้นอัโทโธอักขระสัญญาโตเนื้อความอันบุคคลหมายรู้ได้ด้วยอักษรด้วยอักขระเนี่ยนะเราะนั้นอักขระเนื้ออักษ ร, นกษรเนี่ยนะเราต้องพยายามที่จะกับต้องกำหนดจดจำจริงๆถ้าเรากำหนดจดจ ำ, จำพระพุทธพจน์ไม่ได้เลยเรารู้ไหมว่าเราจะปฏิบัติอะไรไปหาเพื่อนในกรุงเทพนะถ้าแผนที่หรือที่อยู่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะ หรือสะกดชื่อผิดบางทียังยังหาไม่ถูกเลยนะถ้าไปกรุงเทพเนี่ยที่อยู่ไม่ชัดเจนเนี่ยรับรองไม่ถึงแน่นอนขนาดโวบ้านเนี่ยตั้งใหญ่โตเลยอะนะไม่ได้เป็นของลึกซื้ออะไรด้วยนะขนาดนั้นยังยากแล้วโลกุตรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราข้อมูลไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะเห็นได้หรือเพราะว่าตอนหลังๆมาเนี่ยที่ที่กล่าวอย่างนี้คือเขาทิ้ง ทิงสารณะแล้วยังนึกถึงเมื่อวานสนทนากับพระคุณเจ้ารูปนึง่งนะ เ, เขบอกว่าธรรมังสารณังข้าฉามนีเนี่ยนะมีคําว่าปริยัติอริยมรรคอริ ย, รยผลแล้วอ้างผู้มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งบอกว่าคํานี้แม้แต่ผู้มีชื่อเสียงท่านนั้นยังรับไม่ได้นะคือคือเขาเขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่าพระปริยัติธรรมเป็นเป็นสารณะนี่สารณะอยู่ที่นี่ก็คือตัวเองนะนะั่นแหะเป็นสารณะ ก็แสดงว่าให้เราอารัมมณปัจจัยให้เราสังเวทอะคือสังเวทว่าพระพุทธศาสนาเริ่มเริ่มหมดแล้วหมดแล้วเพราะว่าทุกคนกล้าบัญญัติสิ่งที่ตัวเองบระดิษฐ์ประดอยคิดค้นขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงกล่าวในในพระสูตรทั่วไปในอานีสูตรเป็นต้นเนี่ยนะที่พูดถึงกลองของชาวอนากะที่เขาเอาก้ามปูมาทํากลองอะแล้วก็ตีใช่ไหม ตีไปมันก็เป็นกลองที่เสียงดังดีมากตีไปมันก็จะหลุดนะก้ามปูเนี่ยนะที่มันใหญ่มากก็เนื้อปูก็หลุดเขาก็เอาลิ่มเนี่ยตอกตอกตอกตอกตอกนานๆเข้าเนี่ยตัวกลองอะ่ะเป็นของที่เป็นลิ่มที่เอามาอุดทั้งหมดเลยเนื้อเดิมเนี่ยผุหมดไปหมดแล้วพระองค์ก็กล่าวถึงว่าสัตวธรรมคําสอนของพระองค์ก็เหมือนกันต่อไประยะนานๆขึ้นคนก็จะไม่ฟังแล้วนะเรื่องขันท่าอายตนะในคําสอนก็จะไม่ฟัง จะฟังในสิ่งที่ที่สาวกภายหลังเนี่ยพาศิทธิ์ขึ้นนะรจนาขึ้นที่กวีรุ่นหลังเนี่ยเนี่ยแต่งขึ้นด้วยสำนวนที่ไพเราะเพราะพริ้งเป็นต้นเนี่ยนะคนก็จะไม่ไม่ศึกษาถ้าทําคำสอนตามตา ม, ตามพระไทยปิฎกแล้วทางของเราก็มีอยู่ทางเดียวคือทํายังไงที่จะเอาเอกสารในพระไทยปิฎกมาร่วมเรียนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราไม่ต้องผลิตตําราขึ้นมาใหม่เราถ้าปกรณ์ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยนะ ภาษาบาลีที่เป็นสังขยาครั้งที่หนึ่งเลยเนี่ยมีอยู่สี่สิบห้าเล่มอัตกถาคำมาอธิบายอีกห้าสิบกว่าเล่มนะร่วมหกสิบเล่มเฉพาะอัตกถาเนี่ยร่วมหกสิบเล่มแล้วดีกาเนี่ยที่เฉพาะหลักๆ ก, ก็ประมาณสามสิบกว่าเล่มตอนนี้ น, นะสี่สิบห้าบวกหกสิบบวกสาสิบห้าเท่าไหร่ละร้อยกว่าเล่มเป็นภาษาบาลีล้วนๆเลยร้อยกว่าเล่มเนี่ยค้นคว้าให้เพียงพอเถอ ออมาเลยไม่มีแนวความคิดที่จะผลิตตำราขึ้นมาใหม่เลนะอ่านี่ฉบับบาหลีนะไปมากกว่านั้นอีกถ้าบาลีหนึ่งเล่มนะจะได้ภาษาไทยเกือบสองเล่มอ่าเพราะเพราะบาลีเนี่ยสับสับยังยัง <c oughs> ในเล่มบาลีกับเล่มภาษาไทยนะเล่มภาษาไทยจะใหญ่กว่าถ้าสูตรเดียวกันนะ ถ้าบาลีหนึ่งหน้าภาษาไทยหน้าครึ่งนะประมาณนี้คือคือสับสำนวนเนี่ยนะเพราะว่าของเขาเนี่ยประโยคบางอย่างไม่ต้องยกประธานไม่ต้องยกอะไรขึ้นมาของเราก็แปลให้มาเป็นภาษาเราก็ต้องมีประธานมีกรรมมีกริยามีอะไรก็ก็หนุนใช่ไหมอย่างอย่างบาลีเขาใช้คําว่ามิอย่างเดียวนี่ก็แสดงว่าเราแหละใช่ไหมเขาใช้คําว่ามิอย่างเดียวเนี่ยแสดงว่าเราแหละของเราก็ต้องมาเราอย่างเงี้ยก็ต้องไปไปเติมเพราะว่าบาลีเนี่ยใช้วิพัฒน์มา นะวิพัฒน์แล้วก็อายตานิบาตเนี่ยนะวิพัฒน์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมของเราก็ต้องมาแปลเชื่อมอีกอย่างพุทธานังทจริงก็พุทธะเนี่ยแ ต, แต่ของสมัยก่อนเขาเข้าใจเลยว่าของพระพุทธเจ้าใช้พุทธานังอันเดียวของไทยว่าแปลคําว่าของเป็นต้นเนี่ยนะหรือแห่งเข้ามานําหน้าให้มันให้มันได้เนื้อความที่สมบูรณ์เพราะฉนภาษาไทยจะมากกว่าภาษาบาลีเพราะฉนที่เป็นฉบับภาษาบาลีเนี่ยนะร้อยกว่าเล่มนะประมาณ150เล่มเนี่ยเป็นคมภีร์ที่ อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานที่สุดเพราะฉะนั้นทำยังไงที่คำพีเหล่านั้นจะได้รับการเรียนการศึกษาแล้วถ้าเราอ่านข้อความในคำพีเหล่านั้นเนี่ยประทับใจยอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นถ้อยคำที่มาจากปฏิสัมพิธานะถ้อยคำของท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้ปฏิสัมพิธาเมื่อได้ปฏิสัมพิทานะสับไม่ต่ำจะควรต่อการเพ่งหมดเลยขอให้สิ่งนั้นเป็นพุทธพจน์นะ และจะเชื่อมเรื่องได้หมดเลยแต่ถ้าไม่ใช่พุทธพจน์นะเสร็จแล้วเราเอามาตรึกนะใหม่ๆเราจะเห็นด้วยเออใช่ใช่แต่พอระยะนานๆเข้านะเอาสูตรต่างๆมามาเป็นเครื่องตรวจสอบเอ๊ะชักชักไม่ใช่ละเอ๊ะชักไม่ใช่ละนานๆเข้ายิ่งผิดเลยนะทีแรกเราว่าใช่เลยแต่นานๆเข้านี้ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นพุทธพจน์นะพระุทธเจ้าใช้ศัพท์โดยที่ไม่ขัดกันเองเลยอะ อา เ, าเรียกว่าพระพุทธพจน์มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือพระองค์เนี่ยตรัสสมมติว่าพระองค์กําลังตรัสอยู่ขณะนี้เนี่ยนะพระองค์จะไม่ให้ขัดกับที่พระองค์ตรัสไว้ก่อนหน้านั้นทั้งหมดและจะไม่ขัดกับที่พระองค์จะตรัส ต, ต่อไป เ, เรียกว่าอนุคีติตามสมควรแก่พุทธพจน์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขอถ้าเราทรงจําถ้าเป็นพุทธพจน์นะเอาสูตรใดสูตรหนึ่งมาก็ได้แล้วจะไม่ขัดแย้งกันทั้งหมดในปีดกสาม นะแต่ถ้าเป็นของเราที่บัญญัติขึ้นมาเองนะนะเอาสูตรมาจับเลยนะเอาสูตรหนึ่งสองสามสีไล่ไปเข้าสูตรนั้นสูตรนั้นสูตรนั้นสูตรนั้นมันชักไม่ได้เรื่องละชักชักผิดนะแล้วของท่านนะมีที่มาที่ไปให้หมดของเรานึกเอาเองนั้นไม่นานนั้นตอนนี้วิธีที่เราจะศึกษาพระพุทธศาสนาก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นเองอหลายท่านกล้า บ, บัญญัติทฤษฎีลักขึ้นมา ว่าน่าจะมีหนทางลับถามว่าในโลกนี้ใครมีกรุณาที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์น่าจะบอกว่าพิสูุทั้งหลายสูตรนี้เป็นสูตรสําเร็จสูตรลับสุดยอดสั้นที่สุดง่ายที่สุดน่าจะมีใช่ไหมแต่ที่จริงก็มีนะพุทธพจน์สั้นสั้นอ่ะสูตรลับที่สุดมีนะทำทั้งปวงประชุมลงที่ความไม่ประมาทอย่างเงี้ยนี่ก็ง่ายที่สุดนสั้นที่สุดอ่ ในเอการนิบาดหมวดหนึ่งทั้งหลายแหละนั่นแหละสูตรง่ายที่สุดแต่ว่าอง่ายของท่านไม่ใช่ว่าเราเอามาตีความเองนะง่ายคํานั้นก็คือเอาปิดกสามนั่นแหละไปอธิบายศัพท์นั้นสั์เดียวอย่างคําว่าไม่ประมาทใช่ไหมไม่ประมาทคืออะไรคือสติสติเกอร์ร่วมกับจิตกี่ดวงเกอร์ร่วมกับเจตสิกกี่ดวงสงเคราะห์เป็นขันอะไรได้บ้างเป็นอินทรีย์เป็นพระเป็นมัดเป็นโพษชงไหม ไปเรื่อยแล้วค่ะเนี่เยอะกว่าเก่าอีกเอ๊ะทีแรกก็ว่ามีสติก็เข้าใจอยู่แล้วใช่หมว่าเรียนหนักๆเข้าเอ๊ะชักไม่รู้สักอย่างมันยากไปทั้งหมดเลยเนะแต่อย่าลืมว่าพุทธศาสนาเป็นของของคนมีบุญจริงๆนะถ้าหากว่าไม่มีบุญเนี่ยนะอย่างไรก็รับไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งนะคนที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาได้นะปฏิสนธิอย่างน้อยทวิเหตุหรือติเหตุถ้าไม่ทวิเหตุหรือติเหตศึกษาคําสอนไม่ได้ ปฏิสนธิด้วยอาเหตุกะเรียนไม่ได้ถึงเป็นมนุษย์ด้วยอาเหตุตุกะก็เรียนไม่ได้เดรชาณอาเหตุตุกะเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยนะมนุษย์ที่เป็นทุเหตุทุกะเทวิเหตุทุกะหรือติเหตุทุกะนะถ้าตั้งจิตไว้ผิดก็ศึกษาไม่ได้นะถ้าเป็นอัตตะเป็นมิจฉาปณิธินะตั้งจิตไว้ผิดก็ศึกษาไม่ได้ไม่มีกาลยาน èle, มิตรเป็นต้นก็ศึกษาไม่ได้ มีกร ะ, ะยาณาเมธแต่ขาดเพียนขาดความเพียรพยายามก็ศึกษาไม่ได้เพั้นปัจจัยเนี่ต้องมากนะคัดคัดคัดคัดเขาเคยได้ยินนะเขาคัดว่าในโลกนี้สัตว์น้ํากับสัตว์บกอันไหนมากกว่าสัตว์น้ํามากกว่าสัตว์น้ํามากกว่าสัตว์บกนะสัตว์บกเนี่ยนะสัตว์ตามชนบทกับสัตว์ในเมืองไหนมากกว่านะชนบทเนี่ยนะที่เป็นชาวชาว ไม่รู้ภาษาเลยเนี่ยมากกว่าเขาเรียกว่าประเทศที่เจริญกับไม่เจริญไหนมากกว่าประเทศที่ไม่เจริญนี่มากกว่าแล้วในประเทศที่เจริญเหล่านั้นเนี่ยวัฒนธรรมมายาวนานเนี่ยนะที่จะได้รับวัฒนธรรมคืออรยะเนี่ยนะคาสอนของพอระอยะมีกี่ประเทศในนะในโลกนี้ทั้งหมดเลยนะมีทั้งหมดกี่ประเทศนะ ร้อยรอยกว่าประเทศนะถ้าไหนนะถึงสองรอยนะไม่ถึงสองรอยประเทศหรอกถึง่ะถึงเป็นสามชาแค่เจ็ดหกสิบดนั่นเองแ่มาชุมติกว่าร้อเก้อ๋อหแสดงว่าหลายร้อยประเทศนะนะหลายร้อยประเทศอังกฤษเถอะพระหูวเจนะอเนกะใช่ไหมไม่ใช่หนึ่ง เกินสองเลืมหมดเลยน ะ, ะที่นี้ที่กล่าวเนี่ยนะในประเทศเหล่านั้นที่รับพุทธศาสนามีกี่ประเทศนะนประมาณประเทศตอนนี้นะประเทศที่รับพุทธศาสนาถ้าแบบเทราวาทเนี่ยประมาณห้าประเทศไม่เกินนี้เท่าไหร่นะมีพม่ามีไท ย, รรยมีเขมรสี ร, รังกาหลากักๆเท่านี้แหละ ลาวก็โอ้โหไปหาตรงไหนก็ไม่รู้นึกไม่ออกเลยอะ่ะใช่ไหมเวียดนามนี่ไปหนักเลยแล้วในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งเมื่อเมื่อเทียบระดับโลกแล้วนิบเดียวจริงๆหกสิบห้าล้านศึกษาคำสอนกี่คนประเทศไทยเนี่ยนะประมาณหกสิบกว่าล้านเนี่ยศึกษาคำสอนเนี่ยนะในจำนวนร้อยคนเนี่ยมีไม่คนหนึ่งเลยเอา ในในเพื่อนเพื่อนเราเลยนะี่ยร้ยคนเนะี่ยในหมู่บ้านของเราทั้งหมู่บ้านเลยนะศึกษาธรรมะถึงสามคนไหมอย่างอย่างคนต่างจังหวัดเนี่ยนะอย่างหมู่บ้านของเร า, าเนี่ยที่เรียนธรรมะเนี่ยไม่ถึงสิบคนแน่นอนเลยประมาณเกือบพันคนเนี่ยเนี่ยนะห้าหร้อหลังคาเรือนเนี่ยนะศึกษาธรรมะไม่เกินสิบคนห้าร้อยหลังคาเรือนศึกษาธรรมะไม่ถึงสิบเพื่อนผมในรุ่นผมร้อยกว่าคนนี่ สนใจธรรมะจริงๆรนะสักสามคนร้อยกว่านะคนหนึ่งก็ไปเข้านู่นมูลนิธิปราณีน ะ, นะอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้เข้าไปไหนนะอยู่<ส>ลอยลอยศึกษาธรรมะสามคนนะรู้สึกจะสามคนเท่านั้ น, น, นที่เออพอจะพูดธรรมะกันคุยกันในเรื่องธรรมะพอได้คิดดูนะว่าน้อยน้อยแล้วในบรรดาน้อยๆเหล่านั้นเนี่ยนะมีอะไรเป็นข้อมูลหลักฐาน คนะัดไม่แล้วข้อมูลหลักฐานเนี่ยใครสร่งได้เท่าไหร่ที่จะเอาไปพิจารณาและปฏิบัติตามนั้นได้มีกี่คนก็จะเริ่มหมดแบบเนี้ยผู้ศาสนาก็จะร่อนร่อนร่อนร่อนถ้าไม่เหลือบุไม่มีบุญระดับหนึ่งจริงๆยังไงก็หมดแต่แต่บุญเนี่ยมันทำกันได้นะแต่คิดว่าเขาไม่มีก็เลยเลิกเลยแต่ก็เชื่อว่าบุญเนี่ยจเจริญได้ทาได้ใช่ไหมบุญถ้าใครมองเห็นกุศลจิต มองเห็นความรู้ความเข้าใจในคําสอนเป็นเหมือนทรัพย์เมื่อไร่ก็สา ม, มารถที่จะพอกพูนได้ใช่ไหมซับข้างนอกก็ไม่ใช่หาง่ายนะนะถ้าไม่เรียนมาั้า ง, งโลกจริงๆไม่ได้มีความพยายามระดับหนึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นะแล้วทางธรรมเนี่ยนะถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามจริงๆแล้วจะจะเจริญงอกงามได้อย่างไรที่กล่าวเนี่ยนะก็คือกล่าวถึงว่า คนที่เสื่อมประโยชน์จากพระพุทธศาสนานี้มีมากมายมหาศาลนะแล้วพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของที่ยากเป็นของที่ลึกซึง้งถ้าหากว่าเราไม่ทุ่มเทให้กับการศึกษามากระดับหนึ่งเนี่ยนะก็ยากแล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งบางท่านก็บอกว่าท่านให้กำลังใจพระเนนที่บวชร่วมกันนะก็บอกว่าเออท่านทั้งหลายมาบวชร่วมมะอยู่กับผมนี่แหละเรามาบวชกันสักชาตินึงชาติหน้าคอยซึกเข้ามา ชาตินี้บวชเอาจริงเอาจังสักชาติดูซิของมันอันนี้ชวนใครบวชไม่มีอยู่แล้วแต่เล่าให้ฟังนะมันมีวัดบัดหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่ ง, น, ง, น, ง, น, ง, ง น, น, นั่นพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นของเราก็เหมือนกันเออปลีกเวลาเนี่ยนะในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ไหมในการค้นคว้าให้จริงๆสักวันละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยนะเอาเป็นกา ร, เ ป, การเป็นงานนะ้นมันจะนั่งฟุ้งซ่านอะ่ะนะ ให้ในทรงจำหรือตั้งใจจริงวันละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงตั้งแล้วโหปีหนึ่งได้ตั้งหลายร้อยชั่วโมงเลยนะใช่ไหมถ้าทําอย่างนี้สักสิปีอะ่ะกี่พันชั่วโมงละโอ้หลายพันชั่วโมงเลยนะสักยี่สิบปีอะ่ะโอ้หลายพันชั่วโมงเลยนะถ้าตั้งใจเอาเป็นงานเป็นงานนี่เราสะสมชวนะที่เป็นคําสอนนี่มากเท่านั้นแหละทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มอีกวนันละสองชั่วโมงแต่แต่สองชั่วโมงเนี่ยนะแล้วอีกยี่บสองชั่วโมงอ่ะคิดเป็นบาปอ่ะคิดดูคุ้มหรือเปล่า เราควรจะเริ่มสะสมเลสะสมอุปนิสัยในเรื่องการอ่านพระไตรปิฎกนะก็ชักชวนแล้วชักชวนดีนะครับพระเทรอะอาเทระคาถาเทรีคาถานี่ยหมอหม อ, อยุพินอ่านไปเยอะแนะพระสูงไหมอ๋อ ก, ก็ให้อ่านทุกวันนะอ่านจนเป็นอุปนิสัยนะถ้าไม่อ่านบันไหนก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนะยังไงยังไงก็ต้องอ่าน เหมือนจะท่านผู ก, การท่านนั้นน่ะท่านท่านอถวายอาหารเช้ากับท่านพระอาจารย์สมบัติน่ะโอ้ทั้งคู่เลยมีอ่านพระสูตรทุกวันเลยโอ้เป็นมงคลอย่างยิ่งเลยหายากมากนะสามีภรรยายอย่างนี้นี่หายากมากนะถ้าหากว่าท่านไม่อ่านตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ฉะนั้นจะไปเมือ่อท่านจะอ่านเมื่อไหร่นี่ลองถามดูสิครับเอนะแล้วอ่านเมื่อไหร่ หรือเว่าน้อยลงพี่จะอ่านน้อยลงน้อยลงอ่านอ่านไปเดี๋ยวก็ง่วงบ้างปวดตาบ้างก็ก็นึกถึงครัใช่ไหมท่านท่านสมชายเนี่ากำลังจะอ่านหนังสือเพลินๆเลยใช่ไหมตาดันมีปัญหาใช่ไหมก็ระคายเคืองไม่สามารถที่จะ่านหนังสือเป็นการเป็นงานได้นะคือถ้าถ้าการใช้ตาเนี่ยนะตาของเราเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายนะ ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ให้เขาเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็พังและเดี๋ยวเขาก็เสื่อมแต่ ว, ว่ายุคนี้นับว่าวิบากดีกันก็คือมีการใช้แว่นใช้อะไรเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่หนักมานอึกแล้วก็กลางคืนก็ไม่มีไฟให้อ่านด้วยนะแล้วมีพระสูตรอีกหลายสูตรที่พระองค์กล่าวไว้ว่าเธอทั้งหลายเนี่ยนะอย่าประมาทเรียบขวนขวายศึกษาพระธรรมคำสอนเรีบปฏิบัติเธอ เพราะว่าในยุคช่วงนี้มนุษย์ยังมองกันด้วยสายตาที่เป็นมิตรกันเหมือนน้ํากับน้ํานมถ้าหากว่าเมื่อใดที่มนุษย์มองกันด้วยสายตาที่ที่โสะนี่นะเมื่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วจะจะเจริญกุศลได้ไหมคนทะเลาะเบาะแวงกันเนี่ยทุบตีด่ากันเรื่องสงครามระเบิดดังตุ้มด้ามตุ้มด้ามมานั่งอ่านพระไตรปิฎกได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นโอกาสบ้านเมืองที่จะสงบร่มเย็นนี่ก็หายาก นะเนะมือ่อเมื่อถ้าเราศึกษาในในระดับโลกเนี่ยนะถ้าเมืองจีนเนี่ยประวัติหลังๆก่อ น, น, นสงครามเกือบทุกปีเลยยิ่งสมัยสามก๊กเนี่ยนะสงครามทุกปีเลยอ่ะวางแผนรบเนี่ยนะผู้ชายนี่มีโอกาสศึกษาธรรมะอะไรหรอกจับฝึกวิชาดาบอย่างเดียวใช่เข็นข่ากันมีแต่เป็นลักษณะนั้นก็เหมือนอาจารย์บุษาวง์เนี่ยนะถ้าอายุต่ำกว่าเท่านะ5้ปีเนี่ยต้องศึกนะ ท, ที่ศึกบวชได้ไม่กี่ปีก็ต้องศึกเพราะว่า เป็นเป็นกฎหมายของเขามั้งนะว่าถ้าอายุต่ํากว่านี้อย่าบวชแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องศึกไปเพราะฉะนั้นนะ ท, ท, ที่จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนับว่านับว่าหายากมากอย่างอย่างถ้าพูดไปธรรมดาทั่วไปเนะีอย่างเชีเชยงใหม่ที่มาศึกษาแบบนี้เนี่ยนะทั้งประเทศไทยนี่มีกี่แห่งที่ที่มาศึกษาในลักษณะนี้เนี่ยน้อยมากผมว่าท่าจะไม่มีนะนน ด, ดูแล้วท่จะไม่มีนะมีบ้างแต่ก็น้อยมาก นะมี ม, มีมีอยู่บางแห่งอย่างกรุงเทพนี่มีอยู่หลายแห่งด้วยกันแต่แต่เข้าศึกษาเฉพาะเช่นวันเฉพาะวันพุธแต่ว่าที่จะทุกวันเลยเนี่ยนะแบบนี้นี่หายากมากเนี่ยนะอะ่แล้วแล้วไอ้ยากแบบนี้ล่ะสามารถยาวเท่าไหร่ใช่เราก็มามองความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงว่าจะได้กี่เดือนและจะได้กี่ปีเนี่ยนะแล้วจะได้อีกกี่หลายปีอย่างเงี้ยมันอุปสรรคเนี่ยมากมายมหาศาล คือชีวิตเราเนี่ยน้อยอยู่แล้วใช่ไหมคำสอนก็ลึกซึ้งนะจิตใจก็ฟุ้งฟาด น, นะฟังธรรมก่อนน้อ ย, อยเอาแล้วจะปฏิบัติยังไงน ะ, ะคนสอนก็ยากเนะพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะเราต้องรีบนะจกโฉโอกาสนี้นะครับจนกระทั่งท่านอาจารย์สมบัติปรีกไปจากเราเมื่อไหร่แล้วเราช่วยตัวเองได้นะตรงนี้สำคัญมากเลยครับ คือผมผมรู้สึกผมสบายใจขึ้นนะว่าถ้าอาจารย์ไม่อยู่นี่ผมยังพอที่จะหาความความความรู้จากพระไตปิฎกพอพอที่จะต่อไปได้นะแล้วก็นํามาตรึกเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่า <c oughs> เออไม่เป็นไรผมอยู่ยังไม่เป็นไรนะ่ะยังไงยังไงก็อาจารย์ทรงชัยยังอยู่เลย <c oughs> เมื่ออย่างที่ผมอาจารย์ แต่ก่อนนี้ผมนําพระัด <c oughs> นําพระสูตรมาเนี่นะแล้วถ้าผมจําไม่ได้อย่างเนี้นะผมลงทุนเขียนนะยกพระสูตรขึ้นมาเขียนพร้อมกับอธิบายด้วยอัตถกาถนาะเป็นตั้งเลยนะอ้กระดาษที่ผมเขียนเนี่ยตั้งเบื้เริ่มเลยนะแล้วมันก็มันก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ได้นิดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยละเอียดด้วยนะแต่ผมศรัทธาเรื่องพระสูตรมานานแล้วนะจนกระทั่งไปไหนมาไหนเ้าก็สกิดผมเลยอ่ะ การขึ้นพูดพระสูตรดิยังไม่รู้จะพูดพระสูตรอะไรนะสกิทผมอยู่เลยพระสูตรนะเดี๋ยอาจารย์ทุจริงมาก็คงจะบอกพระสูตรเพราะว่าพระสูตรไม่ค่อยมีใครแสดงไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะโดยมากมักจะมักจะตื่นเต้นมักจะไปในเรื่องพระพิธรรมนะเป็นในเรื่องพระพิธรรมแต่ผมใชผมสนใจพระสูตรมากเลยนะฮะ ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราได้เรียนกันอย่างนี้อีกสักนะสามปีสีปีทนะ่านจะพึ่งหนีผมไปนะสามปีสีปีท่านจะพึ่งหนีผมนั้นอยนะผมไม่ยอมนะผมนะ<า>มผมเชื่อนะว่าเราอ่านได้ครับแต่ตอนนี้เริ่มแล้วนะนะเริ่มเริ่มอ่านนะนะ ต, ต้องเริ่มอ่านแล้วแล้วก็ถ้าในนี้นะถ้ามีถ้าในกลุ่มเราเนี้ยนะ มีผู้ที่มีความสามารถพอสมควรสักสี่ห้าคนนะก็จะช่วยกันไปได้ด้วยจะช่วยกันสนับสนุนกันไปได้นะไม่ใช่คนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผมมีข้างข้างบ้านคือคุณจ อ, นะ อ, อุ่มนะคุณเจุ่มเนี่เอาจิงก็จังมากนะมา่เช้าก็ไปหาท่านแต่เช้าแล้วนะนั่นนะ เ, เพราะว่าคนนะวันอาทิตย์จะเรียนอะไรต้องดูไปก่อนคุณจอุ่มเนยะ ดูที่คุณจะอุ่มตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนะเพราะว่ามาจากกรุงเทพและผมก็แบ่งที่ให้อยู่ข้างๆเป็นเพื่อนบ้านกันนะตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วก็เพิ่งมาสนใจเมื่อเร็วๆนี้เองไม่นานเลยผมว่าสนใจพระพระพระตาพิดประมาณสักไม่เกินสองปีสามปีนี่นะสองสามปีเท่านั้นนะเออเดี๋ยวนี้รู้สึกจะคุยผม บางทีผมไม่รู้เลยอ่ะนะแล้วก็มีลูกศิษย์ที่น่ารักอยู่คนหนึ่งคุณจะอุ่มนี่คือคุณสนันแหม่คุณจะอุ่มเขาคนเอาจริงกวาจังนะแมขาดเขื่อนเป็นตะจุ่มตาเขียวแล้วที่คุณขาดเป็นเนมาเนี่ยโอ้โหว่าคุณจะอุ่มนี่เอาจริงกวาจังมานะแล้วลูกศิษย์ท่านก็ยอมดีอย่างเลยน่ารักมากเลยคุณสังเกตดูดิคุณสังเกตดูเลยนะมีอะไรมาถามคุณจะอุ่มนะคุณจุ่มก็ไปถามมาท่านอาจารย์ต่อนะอืม เออแล้วก็คุณจุ่มก็ว่าท่านดูลูกศรท่านนะแล้วลูกศรท่านก็เชื่อนะไปไหนมาครา้นี้ไม่ไม่มาอ่ะเมื่อคุณจุ่มนะหน้าหน้าสนทนาด้วยคือถ้าเราไม่ฝึกอ่านเนี่ยนะอา่ารับรองว่าจะร้อยพระไตรปิฎกไม่ได้ถ้าร้อยสูตรไม่ได้นะถ้าเราไม่เริ่มฝึกอ่านเนี่ยร้อยสูตรไม่ได้ พอร้อยพัสดไม่ได้เนี่ยนะมันก็จะมือเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนก็จําเป็นบทเป็นบทเป็นบทเสร็จมันหนักเนี่ยนะคือคือหลังจากที่ที่ศึกษาประมาณสักสามสปีเนี่ยนะเมื่อเราอ่านจริงๆสักสามี่ปีเนี่ยติดกันเนี่ยมันเชื่อมพสูดูไม่ติดเมื่อมันเชื่อมไม่ติดเนี่ยมันชักไม่สนุกแล้วนะคนที่เรียนนะถ้าไม่มีคนแนะนําในการเชื่อมโยงพัสดูระดับหนึ่งนะอ่านแล้วมันก็จะอยู่คนละสูตรคนละหนคนละแห่งคนละหุนคนละแห่ง มันเชื่อมต่อกันไม่ติด น, นะคือนี่คืออุปสรรคถ้าเราไม่ฝึกอ่านตั้งกระต้นแล้วฟังวิธีเชื่อมพระสูตรว่าสูตรนี้เชื่อมแบบที่อื่นอย่างไรสูตรนี้ไปอยู่กับสูตรอื่นอย่างไรไปต่อกับสูตรอื่นอย่างไรเนี่ยนะใไม่ๆเราเราบอกว่าเออเหมือนอ่านภาษาไทยได้ไม่มีปัญหาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอเอาเป็นการเป็นงานจริงๆไม่ได้นะที่ว่าไม่ได้เพราะอะไรสงสัยเกือบทุกคําเลยอาจะลองสังเกตดูว่าถ้าเราแน่จริงนะอีกนายหนึ่ง อ่านสักสูตรหนึ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจที่สุดนะแล้วตั้งใจจะไปเล่าให้ทักใครฟังทักคนนึงแล้วถ้าเขาเนี่ยเป็นเราแล้วเขาถามปัญหาในระหว่างที่เราพูดอะเอาคําที่เราพูดนั่นแหละถามมาเขาถามเราโดยประการต่างๆเนี่ยเราจะตอบเขาว่ายังไงเนี่ยนะแล้วถ้าเขาจะเชื่อมอีกสูตรหนึ่งมาถามเอ๊สูตรนี้กับสูตรนั้นมันเข้ากันยังไงเนี่ยนะเราก็ตั้งคําถามแบบนี้บ่อยๆแล้วแล้วเราจะเริ่มรู้ไว้เรารู้อะไรกันบ้างเนี่ยเนี่ยนะ เพราะว่าอ่านแค่ภาษาไทยอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะจะเพียงพอที่ว่าไม่เพียงพอก็คือเราต้องศึกษาค่อนข้างจะมากพอสมควรนะพระสูตรเนี่ยถ้าอ่านต่ํากว่าร้อยสูตรเป็นต้นไปแล้วเนี่ยคงคงลำบากจริงๆท่านอ่านเล่มใดแล้วก็โน้ตไว้นะฮะแล้วชอบชอบข้อความใดก็ลองท่องดูเพราะว่าผมประทับใจที่ว่าในพระสูตรท่านกล่าวไว้นะฮะเรื่องโสตปฏิยังข้านี่นะฮะ ฟังก่อนอื่นแล้วพูดสั้นๆเลยนะไม่ต้องเดินเข้าไปแล้วเงี่ยวเนี่ยโสดนี่นะหนึ่งฟังสองฟังอย่างเดียวไม่พอนะต้องนำมามาเพ่งมาพิาจารณาจําฟังแล้วจําจําแล้วมาเพ่งเนี่ยสามอย่างนี่นะฟังฟังแล้วจําจําแล้วมามาเพ่งควาว่ามาเพ่งนี่ก็หมายความว่ามาพิจารณามาตรึกมาคล่ายครวญที่ตอนที่เราอยู่เงียบๆนะนานๆหน่อย อย่าพิพพจนารณาเลยนิดๆหน่อยๆนะนานๆหน่อยนะ <c oughs> พุทธคุณจะช่วยได้เยอะเลยอย่างวันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะกลับไปพิจารณาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะฮะ อ, อ, อยู่ในพุทธคุณเหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็ทุกครั้งที่เพ่งเนี่ยนะก็จะได้อะไรอีกเยอะเลยได้ไปตามฐานะของตัวนะคือฐานะของตัวมีข้อมูลเท่านี้ก็จะได้กว้างขึ้นค่อยๆกว้างขึ้นนะฮะถ้าฐานะ ของคนอื่นที่มีปัญญาก็จะโอ้โหก็จะว้างก่อนที่จะปร ะ, ประสานสูตรนุ่นกับสูตรนี้อะไรนี่นะข้อหมายความว่าเรื่องการเพ่งเรื่องนั้นเรื่องแต่ละเรื่องให้ให้เจ๋วๆกันนะถ้าพอเจาวๆแล้วต่อไปนี้ก็พอหลายๆเจ๋วเข้ามันก็เชื่อมกั น, นถ้าถ้าเราไม่ฝึกฝึกตรึกนะเราจะไม่มีข้อสงสัยเลยนะเถ้าหากว่าศึกษาธรรมะโดยที่เราไม่สงสัยอะไรเลยนะ แสดงว่าเราไม่โตเลยจริงๆคือคือโลกของความคิดไม่มีพุทธที่ทางวิญญาณขึ้นมาเลยอ่ะเพราะหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้าลักษณะกา ร, เ, รเติบโตของความคิดมนะันจะต้องเชื่อมเนื้อหาไปได้เรื่อยเขาจะมีความสุขไปเรื่อยแล้วก็จะมองเห็นพระธรรมสูตรโน้นสูตรนี้สัมพันธ์กันนะความลึกซึ้งก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะสบายใจมากขึ้นจนกล้าว่าทำมังสารานางข้าฉามีก็พูดได้ค่อนข้างเต็มปากเต็มคําอ่ะนะก็ต้องต้องเป็นลักษณะนั้น เพราะว่าเราศึกษามากๆขึ้นเราก็ต้องมั่นคงในพระัตนตรัยมากขึ้นนะเพราะว่าพระรตนตรัยก็จะบอกเราเรื่อยไม่ใหม่เหมือนกับว่าเราต้องต้องต้องไปจดจําท่านอะไรท่านทั้งหมดเนี่ยนะแต่นานๆพระธรรมเนี่ยจะบอกเราเองถ้าเราศึกษาไประยะหนึ่งแล้วนะที่เหลือพระธรรมจะบอกเราเองหมดแล้วว่าขณะนี้ควรทําอย่างนี้ควรทําอย่างนี้ควรคิดเรื่องนี้ควรพิจารณาอย่างนี้ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้เสียแบบนี้พระธรรมจะบอกหมดเลย เราเกี่ยวข้องกับคนนี้เราจะเสียหายเรื่อง1 2, 3, 4, นึ่าสเนี่ยนะพระธรรมที่เราศึกษามาจะบอกเราหมดเลยถ้าเราพูดคํานี้เราจะเสียหายเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นถ้าเราพูดคํานี้จะได้ประโยชน์แบบนั้นแบบนั้นนะพระธรรมจะบอกเราหมดเลยก็ได้ยินนะว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนันะอย่างเหมือนกับพระภิกษุทั่วไปเนี่ยเหมือนกับว่าต้องรักษาพระวินยัยแต่จริงๆแล้วถ้าศึกษาเข้าใจถูกเนี่ยพระวินัยรักษาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจะนะพระวินัยเป็น เป็นเครื่องรักษาพระภิกษุเพราะว่าพระวินัยเนี่ยนะก็เหมือนกับพระภิกษุทั่วไปก็เหมือนกับลูกที่ไม่ได้รู้อะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นอะไรเลยถ้ามีศรัทธาในพระวินัยแล้วพระวินัยจะบอกเองสิ่งนั้นอย่าทํำนะสิ่งนี้อันนี้เหวนะนี่อย่าไปนะนานๆเข้าโหพระวินัยนี่รักษาเราแล้วกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็เป็นเป็นอริยทรัพย์ด้วยใช่ไหม กุศลจิตเหล่านี้ก็เป็นอริยทรัพย์ด้วยเมื่อเป็นอริยทรัพย์ชีวิตเราก็ไม่ไม่เป็นหมันไปเยอะแล้วนะชีวิตเราก็สามารถที่จะเจริญงอกงามไปเรื่อยๆนะผมเรียนผมศึกษาพระธรรมกับอาจารย์จุจินจริงๆยี่สิบกว่าปีนี่นะแต่ผมขาดการจํากับการเพ่งการเพ่งนั้นนี่นะก็ เพ่งนิดๆหน่อยๆนะพอได้ยินมาแล้วก็ขณะที่อ่านก็ดีหรือขณะที่ฟังอยู่ก็ดีเนี่ยก็เพ่งเพ่งตามนิดหน่อยนะไม่ไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่เรามาเพ่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยเช่นเพ่งเรื่องอายตนะเนี่ยเอามาเพ่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยหลังจากที่จําได้นะอายตนะนี่ยอัฐว่าอะไรเนี่ยหนึ่งขงนั้นที่ห้าสิบปแล้วก็นํามาเพ่งเนี่ยนะฮะเพ่งนานๆแต่ก่อนไม่เคยทําเลยนะเพราะฉะนั้น แต่ว่าในพระสูตรพูดไวช้ชัดเจนนะต้องจําต้องเพ่งนะจึงจะจึงจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังไปถ้าไม่จําไม่เพ่งนะมันได้หลมุมหลวมันนะมันก็เล็กอย่างนักการที่เป็นครูบาอาจารย์ดีมากแต่ว่าดูใหดีนะผู้ที่ทําหน้าที่สอนนี่เยี่ยมมากถ้าท่านจะสอนใครก็แล้วแต่นะกลุ่มเล็กๆที่บ้านก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะโอ้ดีมากเลยเพราะผู้สอนเนี่ยจะทําให้เข้าใจในเนื้อหาที่สอนเนี่ยนะฮะมากกว่าตอนเป็นนักเรียน ผมเคยเป็นครูบาอาจารย์ในสมัยที่จบใหม่ๆนะผมกลับไปเป็นอาจารย์วนในร้อยไปสอนวิชาที่ยากที่สุดคือวิชากราศาสตร์นี่นะตอนผมเรียนทับตายเลยไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่พอไปสอนแล้วเนี่ยทำให้เรารู้รู้มากพอไปสอนสักสองปีนักเรียนอาปากรู้แล้วแกถามอะไรเนี่ยฉันรู้แล้ว <c oughs> ยังไม่ทันนั่นเลยรู้แล้วเรากำลังสอนสอนอยู่เนี่ยพอยกมือขึ้นหน่อแกรู้แกจะถามหนึ่องอะไรเนี่ยรู้แล้วและอธิบายได้ด้วย นี่นี่นี่เป็นอนิสงส์ที่จะเป็นทําหน้าที่ครูบาอาจารย์ครับเลยอย่างการเจริญพรหมหารเนี่ยนะในอุบายระ ง, งับความโกรธแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะพะสัสดุทั้งนั้นเลย<ม>ถ้าเราจําไม่ได้มันจะมาระ ง, งับอะไรความโกรธได้ใช่ไห ม, มความโกรธนี้จะระ ง, งับไม่ได้เพราะการพิจารณาจริงๆนั่นแหละจึงจะเป็นอุบายเป็นเครื่องระ ง, งับความโกรธถ้าไม่พิจารณามากๆ อย่างไรความโกรธก็เกิดเรานึกถึงไฟที่ทําไหม้บ้านเนี่ยนะถ้าน้ําไม่พอเนี่ยดับไม่อยู่อกุศ ล, ลจิตก็เหมือนกันถ้าเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าหาว่ากุศลไม่มีกําลังจริงๆอย่างไรก็ระงับไม่ได้เพรา ะ, ะเราต้องมีความรู้สะสมข้อมูลในทางคําสอนเนี่ยให้มากมากคือคือที่กล่าวนี้เพราะว่าการกําหนดจดจําเป็นต้นของเรานี่เนี่ยอ่อนไปนะถ้าถ้ากำหนดจดจําเป็นต้นอ่อนไปนั้น เราไม่สามารถตรึกเป็นพระธรรมได้มากเมื่อตรึกพระธรรมได้ไม่มากนักเนี่ยเราก็ขอมาเฉพาะส่วนตัวเนี่ยนะเอ้เรานี่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งละมันอะไรเกิดขึ้นกันแน่นคือถ้าหากว่าเราเจริญในกุศลธรรมอ่อนเนี่ยนะขอมากําลังนึกเอ้เรานี่กำลังทำอะไรอยู่มีอภินิหารปจเวคณะธรรมมาสูตรนะพระสูตรที่ทําอซ้อนให้พระภิกษุพิจารณาเนือสิบอย่าง ข้อหนึ่งว่าบัตรนี้เรามีเพศต่างจากครหอขัดแ ล, แล้วนะข้อ2ก็บอกว่าพิสูจควรพิจารณาเนืองๆว่าอากับปกิริยาที่จะต้องทําให้ยิ่งกว่านี้ยังมีอีกและข้อสก็พิจารณาว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นนะข้อสีข้อสก็คือตัวเราเองติเตียนตัวเองโดยศีลได้หรือไม่ข้อต่อไปก็บอกว่าท่านผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว เตะเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่แล้วก็เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมอันนั้นและข้อต่อไปก็บอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้กําลังทําอะไรอยู่นะมีข้อนี้แล้วก็มีข้อต่อไปว่าเรายินดีในเรือนว่างหรือไม่ไนะ แล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าคุณพิเศษที่เป็นกุศลเนี่ยนะคุณพิเศษที่เป็นญาณทัศนะอันเป็นกุศลเกิดมีในตนหรือไม่ที่จะไม่เก้อเขินเพื่อนบนรรปะชิตถามในการภายหลังคือเวลาใกล้จะมรณภาพเนี่ยนะภิกษุเขาจะไปถามคุณธรรมกันว่าท่านได้อะไรบ้างอย่างนี้นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสามารถบอกกันได้มีอะไรก็บอกกันเวลาใกล้จะ ใกล้จะตายเนี่ยนะเขาจะบอกกันว่า ง, งั้นจะได้ไม่เกอร์เวลาใกล้ตายอย่างถ้าอ่าในพระสูตรหรือในอรตถิฐาแห่งหนึ่งก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านเป็นพระที่ทรงพระไตรปิดกแตกฉานสั่งสอนประชาชนมากท่านใกล้จะมรณาภาพลูกศิษย์ก็มาถามว่าท่านอาจารย์ท่านอาจา ร, าาจารย์บรรลุอะไรบ้างแล้ว <c oughs> ก็บอกว่าผมไม่ได้บรรลุอะไรหรอกคุณที่จริงผมหวังว่าจะฟังธรรมแล้วบรรลุต่อหน้าพระพระศรอาน์ณ์นะ เสร็จแล้วพี่สุทั้งหลายพี่สุลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์คนนี่แห่กันมาเป็นโยชนนะจะมาดูอาจารย์เนี่ยคิดว่าอาจารย์จะปรินิพานวันนี้ก็บอกคุณที่จริงอ่ะการบรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยไม่หนักนักหรอกแต่ผมเนี่ยตั้งใจไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจงให้โอกาสผมก่อนก็ให้ลูกศิษย์ออกไปแล้วลูกศิษย์พอพ้นไปนิดเดียวท่านก็พิจารณาพระธรรมก็เป็นพระอรหรนันเนยแล้วก็เรียกลูกศิษย์มาใหม่นั้นซึ่งเขามีพระสูตรซึ่งให้ทบทวนถึง ค่ากับว่าเหมือนกับทางโลกอ่ะนะทำงานไปหลายๆปีเขาเออเราเหลืออะไรบ้างเราได้อะไรบ้างใช่ไหมการศึกษาพระทางธรรมก็ต้องลักษณะเดียวกันเรามีอะไรพิเศษขึ้นมาบ้างอบายปิดได้หรื อ, อยังงถ้าจุติตอนนี้เลยพบไหนเนี่ยสมควรจะเกิดที่ไหนเป็นต้นนั้นต้องมันทบทวนอย่างนี้บ่อยๆจริงๆท่านถ้ามีความรู้สึกว่ากระยิมเมื่อไหร่นะเออเราเข้าใจเรื่องศีลดีนะมีความกระยิมนะ่ะนั่นอาจจะมีกําลังใจมากเลย นะฮเวลาเขาหมดพอดีก็ท่านก็บรรลุมรรคผลพอดีทุกวันเลยนะเรื่องจบลงด้วยการบรรลุมรรคผลเอาเอาเท่านี้ก่อนนะครับท่านวันนี้เ็บอกว่าปัญหาปากท้องเรื่องไงที่สุดเลย